กับคารวะพ่อครูที่เคารพอย่างสูงกับโหรกาพันเตและเพื่อนชาวณาทุกรูกครับเชิญทำท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านและอยู่ในศาลาสีมาโศกแห่งนี้เนาะวันนี้อรตามาเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนพันเ ต, เ, ตเดินดินนะพอดีพันเตไม่สบายอาพาธเนะาะธรรมามาทำหน้าที่แทน มันรู้จะจะดีหรือไม่ดีไม่รู้เนาะก็ขอกําลังใจจากญาโยมก็ใกล้ก็เป็นเรื่องที่น่าประทับใจนะพ่อครูจะมาแวะเยี่ยมเราก่อนเข้าบรรษาทุกครั้งนะโดยเฉพาะปีนี้อ่าเราก็อีกสงวันจะเข้าบรรษาแล้วเเราก็มีตั้งชื่อรายการอ่าเพิ่มพลังชีวิตตั้งจิตเข้าบรรษาอพ่อครูจะให้อะไรดีๆกับพวกเรา ที่จะปฏิบัติตัวช่วงเข้าบรรษาก่อนอื่นผมรู้สึกประทับใจพ่อท่านครับที่ที่วันก่อนพูดถึงว่าความไหายาณะของโลกความความรุ่งเรืองของโลกคือความไหายาณะของโลกสูดประทับใจนะมันชัดดีว่าเพราะทุนี้สังคมมันมันสื่อออกมาชัดเจนนะดูเหมือนวัตถุดั้งวัตถุนิยมได้เจริญมากแต่ทำํำไมคนหนึ่งจิตใจถึงแย่ลงแย่ลงซึ่งก็รู้สึกว่าเพราะว่า คงจะเพราะว่าความวัตถุต่างๆมันเจริญเกินไปคนแน่นแต่วัตถุเริ่มเรื่องของวิญญาณก็ประทับใจอีกจุดหนึ่งที่ที่ผมรู้สึกประทับใจก็คือญาติโยมของเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยประทับใจรู้ว่าพ่อครูจะมาก็เตรียมตัวแต่และคนก็แอคทีฟเตรียมตัวก่อนพ่ะท่านมาสองเดือนอสองเดือน <laughs> เร า, เร า, เราชยอยิ่งเราก็มีแต่คนแก่แล้วก็เด็กก็ทำทำไปทีละเล็กทีละน้อย มาถึงวันนี้ได้ที่ที่ญาติโยมเห็นเห็นว่าสีมาโสนี่พอดูได้ก็จะก็จะแรงงานเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้เฒ่าทั้งหลายมาเช้าประทับใจนะประทับใจพวกเราหลายคนจะมาขอโฮมแพงกิจกรรมโฮมแพงทำถนนซึ่งฝนตกทุกทีน้ำจะขังรถก็จะวิ่งไม่ค่อยได้แต่มาขอแรงนะเพราะว่าคนไปช่วยเกือบสามสิบคนเจ็ดภายในเช้าเดียว แค่หนึ่งชั่วโมงประมาณยี่หนึ่งชั่วโมงยี่สบนาทีเท่า น, นั้นเองก็เรียบร้อยก็สื่อประทับใจประทับใจระบบสาธารณโภคีที่พ่อท่านเพียมที่จะดึงกลับมาซึ่งตอนนี้เริ่มหายไปจากจากสังคมแล้วะจะมามาเจอชาวโศกได้เนี่ยเพราะว่าแตมาไม่ได้เจอพ่อท่านนะครับผมเจอผมเจ อ, ผมเจอกลุ่มชนชาวโศกที่ทํางานฟรีอยู่ที่ที่อตอกอตอนนั้นเรียคอกอ์ที่จะรู้จักเห็นคนหนุ่มคนสาวคนแก่ร่วมไม้ร่วมมือกัน ไม่มีการเกียงเกี่ยงกันทุกคนขยันขันแข็งแต่งตัวเรียบเรียบง่ายๆไม่นุ่งชุดขาวซึ่งเมื่อก่อนพมอุปทานชาวพุดว่าต้องแต่งชุดขาวนุ่งขาวห่มขาวแต่พ่อท่านพานุ่งสีกักเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินสใส่สเสื้อหม้อห้อมแล้วก็ตัดผมสั้นไม่ใส่รองเท้าทํางานรู้สึกประทับใจและทุกคนก็ทํางานฟรีไม่มีใครมีเงินเดือนเลยรู้สึกประทับใจมากก็เป็น สื่อให้ผมมาเจอพ่อท่านขณะตอนนั้นจะมาคิดว่าขณะลูกศิษย์ทําได้ขนาดนี้อาจารย์จะทําได้ทําได้ขนาดไหนก็สึกประทับใจจนตามมาปฏิบัติทําแบบนี้ก็อยากให้พ่อท่านสื่อถึงระบบสาธารณภคีพ่อท่านคิดยังไงถึงสร้างระบบอย่างนี้ได้ให้เกิดขึ้นในโลกซึ่งก็ผมก็ศึกษามาไม่น้อยเหมือนกันแต่ไม่เคยเจอในโลกที่ในโลกนี้มีใครทำได้อย่างนี้ ก็ขอกับพ่อท่านให้ให้ความกระจ่างกับพวกเราครับแม่พูดเสพเทเลยนะว่าทํายังไงพ่อท่านไปเอาสาธารณโภคีเอกมาพูดเอามาทําได้เหมือนกับจัอก์อโพธทิรักษ์นี่ประเจ้าของสาธารณโภคีเลยนะะโอ้เทสันไม่หยอกเลยนะอะความจริงนั้นสาธารณโภคีเนี่ย เป็นของพระพุทธเจ้าของพระสมณะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แหละจะต้องถึงขั้นสาธารณะโพคีเพราะมันเป็นระบอบต้องเรียกว่าระบอบตามภาษาสมัยนี้แหละมันเป็นระบอบของสังคมมนุษย์ที่สุดยอดคำว่าสาทรณะโพกีโพคีคือของกินของใช้ของบริโภคของบริโภคของกินของใช้ที่เป็นสาารณะ เพราะฉะนั้นตั้งแต่ทรัพย์สินเงินทองเข้าของอาหารบานข่าวอะไรทุกอย่างของกินของใช้ของมนุษย์เนี่ยนเมื่อสามารถทำให้มู่ชนมีของกินของใช้ทำของกินของใช้ขึ้นมาแล้วก็กินก็ใช้อาศัยใช้สอยร่วมกันเป็นของส่วนกลางสาธารณะเป็นของส่วนกลาง เป็นของส่วนกลางอย่างจริงจังแล้วมีมารยาทมีนิสัยดีด้วยคือของส่วนกลางก็ไม่มีใครมานั่งงุบงิบเอาของส่วนกลางมาเป็นของส่วนตัวนะของส่วนกลางก็คือส่วนกลางเรามีความจำเป็นหรือว่าเราจ ะ, จะต้องใช้ต้องซส่ไอหมะที่เหมาะที่ควรเราก็ไปเอาส่วนกลางนั่นแหละมาใช้มาใอยมากินตย่างเหมาะอย่างควร ไม่ขี่โลกไม่ขี่เห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากจิตวิญญาณที่จริงมีปัญญาแล้วก็มีการปฏิบัติประพฤติให้จิตใจของเราเนี่เป็นจริงตามปัญญาที่เรารู้ตามความรู้ที่เรารู้แล้วก็ทำได้สำเร็จคนที่ยังทำไม่ได้ไม่ได้สำเร็จรู้ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ก็ฝึกฝึกตนฟืนตน พัฒนาตนไปจนกระทั่งสามารถที่จะทำให้จิตใจของเราเนรละนายคลายจางจากอะไรที่มันติดมันยึดมันจะต้องมีกินเลสเป็นตัวเป็นตนอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ก็ปึกมีวิธีฝึกพระพุทธเจ้าก็บอกสูตรบอกหลักเกณฑ์วิธีการในการฝึกมาทั้งนั้นอันตมาเองขออภัยที่ต้องกล่าวว่าอตมาเป็นโพธิสัตว์ไปสืบทอดธรรมพระพเจ้ามาหลายชาติ มาชาตินี้ก็ต้องมาทําหน้าที่ต่อก็สืบทอดไปเพราะว่ายุคนี้พระเจ้าเองนะอุบัติขึ้นมาไม่ได้เกิดมาไม่ได้หรอกพระเจ้ามาเกิดมาในยุคนี้พวกคนมันหนักนะไม่ใช่อาตมาพูดเล่นนะคนยุคนี้มันแย่มันไม่มีธรรมะมันมันไม่เอาธรรมะคือมันตกต่าําอะนะก็เลยยากที่จะพัฒนาให้ดีได้ นั้นองค์รวมหรือว่าสามารถที่จะทําให้มนุษย์เนี่ยดีขึ้นได้อย่างสมเหมาะสมควรฐานะของพุทธเจ้านั้นไม่เหมาะแล้วมันหยาบก็ต้องใช้คนที่ฐานะด้อยกว่าอย่างอาตมาเข้ามาทํางานแม้จะเปื้อนแม้จะดูไม่งามแม้จะได้อะไรไม่สมเหมาะสมควรอาตมาก็รับไปอย่าให้ไปแปดเปืเป้อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตามเหมาะตามควรท่านก็มาอุบัติใน ยกอย่างนี้ยกอย่างนี้ก็ได้ขนาดนี้นมเมื่ออัตมาได้เอาธรรมมพระพุทธเจ้านี่มาประกาศสามสิบสี่สิบปีมานี้เห็นผลอย่างท่านบินทองเนี่ยไปสัมผัสเข้าแล้วก็แปลกใจว่าโอ้ทําไมมีสาธารณโภคีอย่างนี้ได้และอัตมาก็บอกว่าพูดท่านกระจับคําจับความได้ท่านก็ทราบซึ่งใจว่า ที่อาตมาพูดว่าความรุ่งเรืองของโลกคือความหายยนะของโลกอาตมาพูดงั้นท่านฟังแล้วท่านก็ประทับใจทราบสียใว่าเอ๊ะทำไมพูดอย่างนี้ก็ความรุ่งเรืองของโลกแล้วทําไมมันเป็นความหายยนตของโลกอ่ะเฮ้ยท่านฟังท่านเข้าใจเหมือนที่อาตมาเอาพระราช ด, ดํารัสของในหลวง ออกมาเผยแผ่ออกมาออกซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีอยู่ประจำเลยวันหนึง่งฉ า, ายภาพถ่ายทอดออกไปสู่สังคมวันหนึ่งไม่ใช่น้อยเที่ยวเลยในสื่อสารโทรทัศน์เอฟเอมทีวีเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงเรื่องว่าจะต้องมาเอาแบบคนจนไอ้ความเจริญก้าวหน้านั้นอย่างที่เขาเจริญก้าวหน้ากันนั่นแะ ในหลวงท่านก็จัดชัดเจนมันเป็นความถอยหลังเป็นความถอยหลังอย่างน่ากลัวถ้า จ, จัดอย่างนี้จะชัดเลยเอางี้เตรียมตัวที่ทางฝ่ายเทคนิคนะ่ะเอาเอาเอาเอาเอาอันนี้ของพระพุทธพเจ้าอยู่หัวเนี่ยเอามาเอามาเปิดตอนนี้เลยนเอามาขั้นตอนนี้เลยขั้นไม่ได้หรออ้าวทางเทคนิคมาอยู่ที่นี่ เจ้าเจนิก อ, อยู่บรรดาสก็บนรนดาสก็ได้ยินนี่ก็บนรนดาสเตรียมให้หน่อยไม่ได้เหรอทาไมนะักขี่เหนียวจังต้องขอบรรดาสนั่นแหละเอาบนรนดาสเตรียมตัวเลยนะอาจะมาให้เวลาห้านาทีอานานนะเตรียมตัวขนาดนี้ต้องห้านาทีไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ออกนะะตัดเงินเดือนนะเงินเดือนศูนย์แล้วไม่รู้จะตัดยังไงเ น, นาะเงินเดือนก็ศูนด้วยที่ทํางานอยู่เนี่ยเราจะตัดเงินเดือนยังไงนี่แหละศาสาธนบุคคเงินเดือนมันศูนเนี่ยโอ้โห ไล่ออกไล่ออกไล่ออกในกลัวเหมือนกันนะไล่ออกก็กลัวเหมือนกันแต่ตายเงินเดือนสูนนี่ไม่กลัวเพราะมันมีให้ตัดอยู่แล้วเอาให้เวลาห้านาทีนะเตรียมของในหลวงอันนี้ไว้ะจะได้ยืนยันเลยอาตมา ก, ก็จําไม่ได้รายละเอียดทุกคําความหรอกแต่ก็จําประเด็นภาษาหลักๆได้ท่านตัดว่าเม้าแบบคนจนท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะ ท่านเป็นรัฐาธิปัตย์ของประเทศเนะจริงๆเป็นรัฐาธิปัตย์ของประเทศและท่านก็สงวนพระองค์มากไม่ไม่ไม่แสดงอํานาจบาตรใหญ่ในความเป็นรัฐาธิปัตย์ซึ่งโอโห อ, โ อ, โ อ, อตาตมา ย, ยิ่งเคารพเชิดชูเลยเพราะท่านมีอํานาจนี้ในตนแต่ท่านไม่ขอไปใช้ภาษาทั่วไปกัแล้วกันท่านไม่เบ่งอํานาจนี้ในตนเลย สุดยอดที่จะต้องเทิดทูนเคารพคนที่มีอำนาจและไม่เบ่งอำนาจนั่นคือนักรัฐศาสตร์สูงสุดคนที่มีอำนาจและเบ่งอำนาจนั้นคือนักขบฏรัฐศาสตร์แม้อำนาจตัวเองไม่มียังอุตส่าห์เบ่งอำนาจอีกโอ้โหพวกนี้เนี่ยยิ่แย่ใหญ่เลยอำนาจไม่มีก็พยายามจะเบ่งอำนาจอีกนะยิ่งแย่ใหญ่เลยเพราะนั้นสอนรัฐศาสตร์กันว่าการเมือง คือการแสวงหาอํานาจจริงในพฤติกรรมคนเลวซึ่งไม่ใช่นักรัฐศาสตร์ไม่ใช่นักรัฐศาสตร์ที่แสวงหาอํานาจผู้ที่มีอํานาจกระจายอํานาจแผ่อานาจอํานาจคือริดแรงความสามารถความรู้ของเรานั <c oughs> ่นคืออํานาจอ่า นั่นคืออธิอธิปัตยนั่นคืออธิความยิ่งในสิ่งที่มีในตนคุณสมบัติที่มีในตนนะพระพุทธเจ้าท่านสรุปลงไปที่ว่าอาธิปไต่นี้คือสติแลวคาว่าสตินี้มันรวมหมดเลยสติสัพพัญญาสัพชานะปัญญาสตินี่เป็นตัวต้นเท่านั้นเองเมื่อมีสติเต็มทั้งปัญญามีเต็ม สัมปชานโอสัมปชานะมีเต็มปัญญามีเต็มมันไปอย่างนั้นเลยเขาเรียกสันสัตติปัญญาเรียกอย่างรวบรัดสติปัญญาความจริงแล้วมันมีตัวกลางอีกมากกว่านี้สติสัพชัญญาสัมปชานโอสัมปชติสัพพัชลติสัมปัตตสัมปันะสัมปัญญาเยอะเห็นไหม นี่คือภาษาวิชาการของาศาสนาของธรรมมาพุทธเจ้าตรงนั้นยังไม่ครบนะที่จริงอาตมาเอามาไล่เนี่ละเอียดกว่านี้มีอีกถ้าจะเอารายละเอียดของคุณสมบัติของจิตวิญญาณที่มีรายละเอียดของความรอบรู้จนกระทั่งถึงขั้นปัญญาเนี่ยสติถึงขั้นปัญญาเนี่ยยังมีรายละเอียดอยู่ในตักกลางนี่อีกแท้จนอีกเยอะอาตมาไล่ไปนี้ไล่เรียงให้ฟังนิดหน่อยเท่านั้นเอง สติสัพัญญะสัชานะสัชติสัชลตินะสัมปันปัตตะสัมปันนะนะสัมมัปปัญญาอาจะมาไล่ให้ฟังนิดเดียวยังมีซอยละเอียดในในยะของนามธรรมที่มีคุณสมบั ต, ติต่างๆละเอียดละออยยิ่งกว่านี้อีกเยอะนะอาจะมานำมาอาย์เพราะงั้น ผู้ที่ได้ศึกษาธรรมะพุทธเจ้าแล้วสามารถที่จะมีคุณสมบัติที่จิตเป็นจริงๆเช่นจิตมีสติแล้วก็จิตมีสัมปชัญญะจิตมีสัมปชานะจิตมีสัมปาเทติสัมปาเทติคือมันมีสามารถที่จะลงรู้ไปถึงเหตุเพื่อที่จะจัดการเพื่อที่จะสู่การทำให้มันเกิดสัมปชิต เกิดการแยกแยะ ก, การขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกแยกแยะเอาเหมือนเราเก็บขยะแล้วก็เลือกขยะออกแล้วก็เอาสิ่งที่ดีไว้อย่างนี้ยสัมปชติสัมปาเปตินะสัมปาเปติการสังเคราะห์กันขึ้นมันก็พอทําแล้วมันก็เลือกออกเลือกเข้าเลือกออกหรือว่าจัดเลือกให้สิ่งที่ดีสังเคราะห์ทําให้มัน ได้สิ่งที่ดีที่เหลือสิ่งไม่ดีเกิดจัดออกเก็บออกทําลายออกไปเรื่อยๆสัมปาเปติ น, ะเเ น, นะเรียกว่าดําเนินการจะเรียกโดยภาษาสัพท์รวมว่าอวจารก็ได้ดําเนินการอยู่ดําเนินไปอยู่อวจารก็จัดการไปสัมปติสังขายาเนื้อธาตุรู้มันกรลึกซึ้งคุณรู้จักทําได้แล้วเป็นผลแลว้วก็ทบทวนทําซ้ําทําเพิ่มทําเข้าไปอีกนะ สัมปัชะละติที่อาตมาพูดถึงเมื่อกี้นี้ตั้งเยอะเห็นไหมนี่แทรกซอยเข้าไปแล้วเยก่าเก่าอีกสัมปัชะละติเข้าไปสู่การทำลายสิ่งที่ควรทำลายนั้นอย่างอย่างสมบูรณ์เรียกว่าหมไม่เลยไม่จบหมดสิ่งที่เหลือก็สะอาดสว่างเรืองรองเนี่ยสัมปัชะละตินี่หมายถึงสภาพที่ทำสำเร็จแล้วก็เกิดสิ่งใหม่ที่ บรรเจิดเพื่อแพรวขึ้นมาได้เรียกว่าสัมปัชลติสัมปัตตะกามายของบรรลุผลสําเร็จสัมปันนะสัมปัตตะมาก่อนเข้าถึงสัมปันนะคือเป็นผู้สําเร็จแล้วเข้าถึงเป็นผู้สําเร็จสัมปติเวตก็ทบทวนรู้แจ้งแทงตะลุตลอดต่างๆนาน า, นาครบครั น, นอย่างนี้เป็นต้น ซึ่งมีปัญญาสั ม, มปัญญามีปัญญาที่รู้ครบรู้อย่างความเป็นจริงตามความเป็นจริงเรียกว่าสั ม, มปัญญาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยผู้ที่ฟังแล้วไม่ค่อยถนัดในเรื่องของอภิธรรมในเรื่องของธรรมะขั้นลึกขั้นยากขั้นสูงขั้นละเอียดอย่างนี้ฟังแล้วก็เหมือนตึบอะไรมันอะไ ร, ะไ ร, ะไรมั่งสมอะไรก็ส ม, มปีภูษาอีสาน มันก็สัมปีเลยนี่อะไรก็สัมอะไรมั่งเนีโอสัมปัจจยะสัมปัชานะสัมปัตปาเทติสัมปัจติอะไรโอ้สัมปาเปติอัตมาขึ้นจำจไม่ได้หมดนะนี่ต้องอาศัยตัวหนังสือจากเ อ, อที่เรียบเรียงร้อยเรียงเอาไว้มาดูนี่ทางเนินอินเสิร์ตไปหรือเปล่าในอัตมาดูจอไม่รู้ว่าจอไหนนี่มีอินเสิร์ตออกไปหรือเปล่าทางทางทา ง, ทางบ้านน่ะ นี่ไม่ไม่รู้อัตมาไม่รู้ดูที่จอไม่เห็นมีการอนะินเทอร์นฮะออกไปเหลอทั้งจอไม่เห็นมีเลยจอนี้นี่ก็เห็นมีเลยนะอ๋อเนื่อเมื่อนจออันนี้มันอะไรล่ะจอเอาเอาละอตมาไม่พูดเสียเวลาทางเทคนิคทำเอาแล้วกันนะอันนั้นอัตมาก็าบรนยายถึงสภาพเพื่อความรู้ของมุทธุทิจตาที่เอามาประกาศ แม่คนจนพอพร้อมแล้วทางเทคนิคบอกอา้าวทางนั้นดูที่ของพระราชดำรัสตั้งแต่สี่มีนาคมสองพันห้ารอยโอ๊ยขอไปสี่มิเตสสี่ธันวาคมสองพันห้าร้อยสามสิบสี่าตมาจำได้นะอ้าวฟังอันนี้ของพระเจ้าอยู่หัวของเราสักก่อน แต่ที่เรียกว่าทำแบบคนจนคือทาวิธีการแบบคนจนไม่ได้มีการลงทุนมากหลายอย่างของเขาเราก็ทำไปก็เลยบอกว่าถ้าจะแนะนำก็ทาแนะนำได้ทำแบบคนจนเพราะเราเราไม่ได้เป็นประเทศที่รวยเราก็รวยพอสมควร อยู่ได้แต่ไม่ใช่เป็นเราเป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเราไม่อยากจะเป็นประเทศอย่างก้าวหน้าอย่างมากเพราะว่าถ้าถ้าเราเป็นประเทศอย่างก้าวหน้าอย่างมากมีแต่มีแต่ถอยหลังประเทศเหล่านั้นที่เขาเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมสูงมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวแต่ถ้าเรา มีการปกครองแบบเรียกว่าแบบคนจนแบบที่ไม่ไม่ติดกับตำลามากเกินไปทำอย่างมีสามีนี่นี่หรือเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไปไม่เหมือน คนที่ทำตามบัญชีตามวิชาการแล้วก็วันหนึ่งก็วิชาการนั้นเราดูตาราแล้วพลิกไปถึงหน้าสุดท้ายในหน้าสุดท้ายนั่นเขาบอกอนาคตยังมีแต่ไม่บอกว่าทำยังไงเวลาปิดเล่มแล้วมันก็ปิดตาราปิดตาราแล้วไม่รู้จะทำอะไรสงดท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกใหม่ คนหน้าแรกก็ก็เริ่มต้นใหม่ถอยหลังเข้าครองแต่ถ้าเราใช้ตำราแบบที่เราอาร่วมมารวยกันให้ตำรานั้นไม่จบที่เราอาร่วมมารวยกันให้ตำรานั้นไม่จบ ถ้าใครเองเข้าใจฟังแล้วจะทราบซึ้งถึงไขสันหลังเลยจริงๆนะอาตมาฟังแล้วโอโ ห, โหประทับใจมาตั้งแต่ต้นนั่นแหละก็ถึงพยายามตามหาพระราชดำรัสนี้จนกระทั่งได้พระราชดำรัสนี้มาก็อยู่กับเราในเอ t เอมทีวีนี่ก็ออกใช้เพื่อยือนหยัดยืนยันว่า ขอขอพูดด้วยด้วยความความเป็นของตัวเองนะอันนี้อาตมาขอยืนยันว่าโลกถ้าเข้าใจอันนี้และทำอันนี้ได้คือแบบคนจนนี่แหละเดี๋ยวค่อยขยายความแบบคนจนคนฟังแล้วขนลุกคนพองวอาอะไรวะเอาแบบคนจนคนที่เขาพยายามจะปกครองบ้านเมืองเขาพยายามที่จะ เอาใช้วิธีที่จะตัวเองจะได้เป็นอำนาจผู้ปกครองผู้บริหารบ้านเมืองเขาก็เอาความร่ำรวยมาล่อทั้งนั้นไม่มีใครมากราวว่าจะต้องเอาอย่างคนจนคนจนใครก็มันจะฟังขึ้นใครมันจะเอา น, นี่แหละมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเดี๋ยวจะค่อยพูดกันนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าใครฟังอันนี้แล้วมีปฏิพานปัญญาปฏิพานปัญญาของใครของมันนะพอฟังแล้วเข้าใจได้ว่า เข้าใจแล้ทราบซึ่งแล้วว่าแบบคนจนนี่เลยเป็นแบบ ท, ที่ดีเป็นแบบที่จะไปรอดเป็นแบบไปรอดท่านตรัสยืนยันเลยว่าการก้าวหน้าคำว่าก้าวหน้าต้นใช้ศัพท์ภาษานี่เลยการก้าวหน้าคือการถอยหลังเข้าคลองการก้าวหน้านั้นคืออะไรอีกอันหนึ่ง การก้าวหน้าคือคือการถอยหลังและถ้าเผื่อ ว, ว่าไปทำให้ก้าวหน้ามากก็ยิง่งเป็นการถอยหลังเข้าคลองไปสุดคลองเลยเรียกว่าตกนั่นเองตกต่ำไปเรื่อยเลยปัญญาที่จะเข้าใจชนิดนี้ความรู้ที่จะเห็นจริงนี่เห็นจริงชนิดนี้เนี่ยมันไม่ใช่ปัญญาสามัญมนุษย์ ใช่มถามมันมนุษย์จะต้องอารวยแล้วก็จะอยู่รอดแล้วก็จะถือว่าเป็นการเจริญรุ่งเรืองนะเพราะงั้นคนที่มีปฏิภาณปัญญามีความคิดชัดเจนว่าความรุ่งเรืองของโลกคือความหายณะของโลกฟังอทีความรุ่งเรืองของโลกคือความหายณะของโลก ถ้าใครมีปฏิภาณปัญญาอย่างท่านดินทองฟังและบอกทราบซึ้งใครฟังอันนี้ทราบซึ้งแลวเข้าใจเลยทราบซึ้งแล้วคนนั้นมีภูมิธรรมไม่ใช่สามัญสามัญก็ต้องความรุ่งเรืองก็ต้องรวยสิความรุ่งเรือ ง, ร, งรุ่งเรืองคือรวยแต่ถ้าบอกว่าความรุ่งเรืองมาจนเป็นความรุ่งเรืองถ้าร่ารวยเป็นความหายนะ เอา้าความร่ารวยเป็นความหายนะความจนเป็นความรุ่งเรืองโอ้โหนี่แหละคือปฏิโซตังปฏิโซตังทวนกระแสย้อนสภาพเป็นสัจจะย้อนสภาพปฏิโซตังทวนกระแสทวนกระแสโลกโลกีจะไปเอารวยแต่โลกุตระมาเอาจน เพราะฉะนั้นภูมิธรรมพระปัญญาที่คุณของในหลวงเราจึงไม่ใช่พระปัญญาที่คุณหรือปัญญาอย่างคนสามัญเห็นไหมท่านเป็นในหลวงนะท่านเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในประเทศท่านก็ตรัสออกไปสู่สาธารณณะของโลกไม่ได้พูดเฉพาะกลุ่มเฉพาะคนในวงแคบท่านประกาศออกไปอย่าง เต็มกระไทยอย่างเปิดเผยไม่ได้มีอะไรมิดเมียนหมกเม็ดจัดอย่างกระจ่างเปิดเผยอย่างเต็มรูปชัดๆแต่ยากล้นคนยุคนี้ไกลธรรมยากล้นคนยุคนี้ไกลธรรมะ ไมิใช่กล่าวคมคำตู่ร้ายที่อาตมาพูดนี่ไม่ใช่กล่าวตู่ไม่ใช่ใช้คำพูดมากล่าวมาตู่ใส่ร้ายว่าคนยุคนี้เนี่ยไกลธรรมะไม่ได้กล่าวตู่ขอยืนยันว่าเป็นความจรงิงคนยากล้นคนยุคนี้ไกลธรรมไกลธรรมะมิใช่กล่าวคมคาตู่ร้าย แต่แท้พฤติภาพกรรมเห็นอยู่จริงแหงแท้ๆนั้นก็เห็นอยู่พฤติภาพของกรรมกริยาพฤติกรรมวฤติกรรมรรร ม, มโนกรรมของคนที่แสดงออกอยู่ทั่วสังคมเราไม่ต้องกล่าว ท, ที่อื่นเรากล่าวในประเทศไทยเนียก็พอแท้จริงแล้วเห็นอยู่ เป็นความจริงตำตาถ้าผู้มองออกคนทั่วเป็นใช่ป้ายใส่ใครเดาความคนเป็นอยู่ทั้งนั้นเลยทั่วทั่วประเทศมากมายกายกองตั้งแต่เบื้องบนบ น, บนสูงสูงคนระดับสูงจงกนกระทั่งถึงระดับล่างต่งางก็เป็นมีพฤติภาพเห็นอยู่ชัดชว่าเขามีพฤติกรรมเขามีกรรมกิริยา แต่ทำอย่างกายกรรมจีกรรมโนกรรมต้องการความรวยแย่งชิงเข่นฆ่าทุจริตเอาเปรียบเอารัดทำรายกันใช่ไหมเห็นอยู่อย่างอยากคายเลยคนทั่วเป็นก็หมายความว่าคนทั่วไปเนี่ยเป็นกันอยู่นี่ไม่ได้ใช่ป้ายไม่ได้ใส่ความใช่ป้ายก็คือไม่ได้ใส่ความใส่ใคร ใช่ป้ายใส่ใครเดาความไม่ได้เดาเลยเป็นเรื่องรู้แจ้งเห็นจริงอยู่ทนโท้ยามนี้คนจัดจ้านทุจริตกล้าเจตนาแม้ผิดก็ด้างเห็นไหมทังคมไทยเนี่ยไม่ต้องไปดูอื่นแม้ผิดก็ด้างเห็นไหมกล้าเจตนา แม้ผิดก็เจตนาแล้วก็ทำออกมาให้เห็นคลิปที่กำลังฮือฮากันู่ปัจจุบันนี้มันชัดเจนที่การเปิดเผยสภาพของผูท้ที่มันเป็นเรื่องเปิดเผยแล้วนะของอาตมาขอพูดไม่ใช่อาตมาจับช่วงแล้วไปว่ามันเปิดเผยแล้วผู้ที่มีหน้าที่ดูแล บริหารกองทัพเสร็จแล้วก็ไปคบกับคนที่ทุจริตเป็นคนที่เป็นอาชญากรกําลังจะรวบอํานาจในประเทศคนที่ทำหน้าที่แทนประเทศเป็นผู้จะ ด, ดูแลบริหารกองทัพก็ไปคบคิดกับคนที่จะรวบอํานาจประเทศ เพื่อที่จะยึดอำนาจกองทัพผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งมารยาทผิดทั้งหน้าที่ผิดอื่นๆอีกเยอะเสร็จแล้วก็ยังรอยหน้ารอยตาอยู่อย่างเคยไม่มีใครไปทำอะไรอาตมาคอไปเดียวยิ่งกว่าขบศ ความมั่นคงยนเหลือหรือแต่ประเทศไทยยังไม่มีการขับเคลื่อนสิ่งที่เปิดเผยอันนี้ออกมาเลยนี่คือพฤินภาพที่กล้าเจตนาแม้ผิดก็่ด้ทำได้ยิ่งกว่าคิดเกินคาดหยาบตำล้ำกว่ากล้าสุดแล้วเมืองไทยหยาบหยาบในคนเชิดชั้น ว่าสูงคนที่ยกกันว่าเป็นชั้นสูงเป็นชั้นสูงกันเนี่ยยาบในคนเชิดชั้นว่าสูงยาบทั่วหมดทั้งฝูงประหลาดลนเป็นไปได้ไงยาบทั่วหมดทั้งฝูงประหลาดลนยาบได้เก่งกาด จูงจมูกมนุษย์มานาเลยหยาบยิ่งผ่านหยาบยิ่งกว่าผ่านหยาบยิ่งผ่านสุดพ้นพูดด้วยคําใดหาคํากล่าวไม่ได้แล้วมันหยาบสุดพ้นหยาบยิ่งกว่าผ่านทั้งหลายแหล่สุดพ้น ที่จะหาคำมากล่าวไม่รู้จะเอาคำใดมาพูดไทยล่มจมอยู่ห่วงกับดักคนบ่รู้บ่รักชาติแท้ตอนนี้ไทยตกอยู่ในห่วงกับดักกับดักมันเป็นยังไงก็นึกเอามันมีเงื่อนนั้นเงื่อนนี้ดักช่องนั้น ร่องนี้ดักไปหมดดักไทยล่มจมอยู่ห่วงกับดักคนบ่อรู้บ่อรักชาติแท้เพราะคนเหล่านั้นไม่ดิ้นออกมาจากที่ผูกที่มัดที่โยงที่แตะอยู่ดิ้นออกมาได้นะแต่บ่อรู้บ่อรักชาติแท้จึงไม่ดิ้นจึงไม่ขยับจึงไม่แก้ไม่ปลด ปลตัวเองยังติดอยู่ในห่วงกับดักยังติดอยู่ในบ่วงในแล้วเหล่านั้นเหตุเหตุเห็นแก่ตัวหนักเมามุ่นอามิตรเฮยนี่คือเหตุเหตุเห็นแก่ตัวหนักเมามุ่นอามิตรเฮยตา ตกหมกต่างต่ำตกหมกแม้เม็ดคือหมกเม็ดแม้แต่เม็ดหมกให้คนผ่านตกต่ำไปช่วยคนผ่านหมกเม็ดให้คนผ่านต่างต่ำตกหมกแม้เม็ดให้คนผ่านไปช่วยคนผ่านหมกเม็ดให้เขาหลอกประชาชน หมกเบ็คือกันปิดบงังซ่อนบังอำพรา ง, าางทั้งทๆที่รู้ว่านี่ไม่ค่อยถูกต้องนะแต่ก็ช่วยกลบเกลื่อนช่วยหมกช่วยปกปิดช่วยอำพรางช่วยเบี้ยวเพี้ยนช่วยผู้ผิดหากนานไปกว่านี้ไทยประไลยหากนานไปกว่านี้ไทยประไลยไทยตื่นเถิด หลับไหลหนักแล้วต้องเอเพลงของหลวงวิจิตรวัฒการมาร้องตื่นเถิดชาวไทยอย่าหลับไหลลุ่มหลง้าจะลึชาติจะเลืง้งไม่ใช่เลื้งนะเรืองแต่ขอลองเลื้งกันทั้งนั้นชาติจะเรืองดำรงก็เพราะเราทั้งหลายอย่ามวัวหลับมวัวหลงไทยก็คงละลาย จงมารีบค้นควายตื่นเถิดชาวไทยนะเพราะงั้นไทยตื่นเถิดหลับไหลหนักแล้วบัดนี้เกิดคนไทยชวนท่านไม่รู้หรือมีคนออกมาชวนกันแล้วไทยคนออกมาชวนกันหนักขึ้นแล้วตอนนี้หลับไหลอยู่ไม่รู้ไงตื่นเถิดชาวไทยนะ ให้ออกมาไล่แมวร่วมร้องบรรลือชัยโอ้โหยิงลูกศรใส่ตัวเป้าเลยนะรวมใจพรึบพรั่งพร้อมกันออกมาร่วมมูเพื่อบอกโลกรู้ออกมาร่วมทุกซอกทั่วถินไทยเลย จึงจะเกิดแรงกู้ชาติได้ดังหวังอย่ายังให้ชักช้ารอรีเอาออกเอาคำนี่ออกจากพจนานุกรมยังอย่ายังให้ชักช้ารอรีมีหมู่ฝูงที่ดี เกิดแล้วหมู่ฝูงที่ดีเกิดแล้วอย่างน้อยก็น่ากลาขาวแล้ววะมีหมู่ฟวงที่ดีเกิดแล้วรีบพลีชีพลุยขมีขมันช่วยกันเถินเผด็จศึกอย่างกล้ากแกล้วเถิดท่วนมวลไทย นี่คือกวีที่พิมพ์อยู่ในหนังสือเราคิดอะไรเล่มวางตลาดปัจจุบันนี้เดือนนี้เองเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าสังคมบ้านเมืองเราไม่เข้าใจว่าเดือดร้อนขนาดไหนแล้วเมืองไทยก็เป็นเมืองที่ประกาศไปทั่วโลกว่าใช้ระบอบประชาธิปไตย แต่ทำไมจึงไปตกอยู่ใต้อำนาจคนผดเด่ ก, การทำไมใครไม่เข้าใจว่าผดเด่ ก, การคืออะไรโดยเฉพาะผู้บริหารอยู่ชั้นบนชั้นที่เชิดชันกันว่าสูงเนี่ยไม่เข้าใจกัแล้วไปเถอะทำไมจะต้องไปอยู่ใต้อำนาจของผดเด่ ก, การ ทำไมไม่หันมาหาประชาชนแล้วประชาชนก็น่าสงสารที่ประชาธิปไตยแปดสิบกว่าปีแล้วไม่ได้สอนเลยว่าประชาธิปไตยคืออะไรประชาธิปไตยคือเลือกตั้งไม่ผิดหรอกแต่ไม่ถูกมันยังไม่ใช่ทีเดียวการเลือกตั้งนั้นเลือกแค่ตัวแทน ไม่ใช่อำนาจเราเต็มๆเลยเราเป็นเลือกเอาตัวแทนเข้าไปใช้อำนาจแทนเราแล้วยังมีรัฐธรรมนูญยังมีกฎหมายยังมีอะไรที่ผู้ไปปฏิบัติแทนต้องอยู่ใต้อำนาจนั้นอีกเพราะฉะนั้นอำนาจปฏิปไตยจึงยังไม่ได้เป็นชั้นตัวผู้แทนที่ได้รับเลือกตั้งไป หรือประชาชนไปใช้อำนาจเลือกตั้งเป็นอำนาจระดับที่ห้าเลือกไปได้ผู้แทนผู้แทนเป็นอำนาจที่สี่ผู้แทนไปอยู่ใต้อำนาจกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจที่สามจากอำนาจที่สามไปอยู่ที่ในหลวงเป็นอำนาจที่สองจากในหลวงเป็นอำนาจประชาชนเป็นอำนาจที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเลือกตั้งนี่ไปเลือกตั้งการเลือกตั้งนี่มันอำนาจระดับห้า อธิปไตยระดับ5แล้วมันยกเชิดว่า น, นี่แหละคือประชาธิปไตยนี่แหละคือประชาธิปไตยแล้วกลยุทธ์ในการเลือกตั้งกลยุทธ์ในการหาเสียงกลยุทธ์ในการโก ง, ต, ง, ต, งต่างๆนานาอีกสารพัดแล้วเลือกมาได้ไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาดขนาดเป็น อ, อธิปไตยเบอร์5แล้วไม่สะอาดอีกด้วยประชาธิปไตยขี้มานะครับ และยังลงไหลายแค่นี้ประเทศไทยอำนาจที่สูงกว่าต้องใช้ถ้าเข้าใจแล้วเลิอกอำนาจเลือกตั้งก่อนอาสมาไม่ได้ตีทิ้งนะถ้ามันเข้ารูปเข้ารอยแล้วทุกคนซื่อสัตย์บริสุทธิ์ใช้สูตรนี้ได้แต่ยังไม่ซื่อสัต์ไม่บริสุทธิ์เลือกตั้งนี้หายนะดังที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้มันออกฤทธิ์ออกฤทธิ์หายนะ คือเลือกตั้งประชาธิปไ ต, ย อ, ย, ปปตยอันดับห้าที่เก้ประชาธิปไตยอันดับห้าที่โมคะแต่เขาก็ไม่ยอมโมคะยังหยิบมาหลอกคนอีกวันนี่ประชาธิปไตยเรามีคะแนนเสียงตั้งสิบห้าล้านอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหยุดได้แล้วอย่ามาโปปกระกด่ากันว่าประชาธิปไตยคือการเลือกตั้ง พอเห็นแล้วว่ามันล้มเหลวมันผิดเปลี่ยนใหม่มาเอาประชาธิปไตยที่จริงกว่านั้นดีกว่านั้นขั้นรัฐธรรมนูญก็ประกาศกันแล้วเป็นขั้นที่สี่ไม่ใช่ขั้นที่สี่ขั้นที่สามขั้นตัวผู้แทนได้ไปเป็นขั้นที่สองประชาชนเป็นเลือกตั้งเป็นขั้นที่ห้าได้ผู้แทนมาเป็นขั้นที่สี่เป็นตัวแทนอำนาจมาปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้ตามหลักที่หน้าที่ที่กำหนดให้ทำ เป็นขั้นที่สามขั้นที่สองคือในหลวงขั้นที่หนึ่งคือประชาชนนี่คืออัตมาแจกวิพังรัฐศาสตร์เองใช้ภาษาบาลีมาประกอบอัตมาแจากวิพังรัฐศาสตร์เองเพราะงั้นนักรัฐศาสตร์จบดอกเตอร์โพสต์ดอกเตอร์อะไรมาก็ เทียงอาตม า, ต ม, าตมาไม่เทียงด้วยเพราะาอาตมาไม่ได้เรียนมามากรู้นิดนิ ด, นดแต่ตมารู้แค่นี้อาตมามั่นใจว่าถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อพูดแทนก็ใช้ไม่ได้เลือกตั้งโมฆะล้มเหลวหายนะไปแล้วเพราะมันเลือกตั้งไม่จริงได้ผู้แทนมาก็ไม่จริงก็ต้องล้มไปก่อนก็มาขั้นที่สามขั้นที่สามคือ ัธรรมนูญหรือกฎหมายฎกฎเกณฑ์มาพยายามเดินตามกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์ก็ใช่ไม่ได้เพราะผู้ที่ใช้อำนาจตอนนี้ทำลายฎกฎเกณฑ์มาแล้วแม้แต่ศาลก็กำลังลม้มเจ้าแห่งกฎเกณฑก์กำลังถูกคามถูกทำลายถูกบัใชัยอย่างหนักมาก จนกระทั่งตกอยู่ในอาณาจักรแห่งเคราะห์ความกลัวกันแล้วเพราะฉะนั้นอำนาจในระดับที่สามก็ยากเพราะฉะนั้นคนไทยพึ่งอำนาจที่สองและอำนาจที่หนึ่งคือราชประชาสมาใสเพราะในหลวงรประชาชนคืออันหนึ่งอันเดียวกันในประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะฉะนั้นกฎหมายที่เป็นอำนาจที่สาม หรือรัฐธรรมนูญอำนาจที่สามจึงตราเอาไว้ในรัฐธรรมนูญมาตราสองมาตราสามชัดเจงไปทบทวนดูรัฐธรรมนูญมาตราสามมาตราสองมาตราสามนั่นคือสิ่งระบุให้รู้ชัดว่านั่นคืออำนาจราชประชาสมาสัยเ <c oughs> มืองไทยประกาศเมืองไทย ปกครองด้วยอำนาจประชาธิปไตยในมาตราสองมาตราหนึ่งนั่นคืออาณาจักรเป็นของไทยแยกไม่ได้มาตราสองประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสรุปง่ายๆซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในมาตราสองมาตราสามพระประมุขเป็นผู้ใช้อำนาจนั่นคืออำนาจของประชาชนนั้นผ่านสามสถาบัน อาตมายังจําเนื้อหาของความอาตมาไม่ได้เรียงพยัญชนะนะในธรรมนูญรัฐธรรมนูญมาตราสองมาตราสามแต่เนื้อหาไม่ผิดอาตมามั่นใจไม่ผิดอาจารย์ทรงเกียรตินั่งฟังอยู่ตรงนี้รับรองนะนะคนนี้นี่นักการเมืองมาตลอดชีวิตจนห่วงงอกแล้วรับรองว่าอาตมาพูดไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นประชาชนกับพระเจ้าอยู่หัวใน ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นต้องโค่ i ดิเนต้องร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันเดียว่าราชาประชาสราชกับประชาอราศัประชาราชกัประชาสมาันทั้งราชาทั้งพระเจ้าแผ่นดินและประชาชนต้องร่วมมือกัน ตอนนี้อาตมาขยายความไปพอสมควรแล้วว่าอำนาจในระดับที่ห้ามันหายณะจริงๆตัวแทนอำนาจที่สี่ระดับที่สี่มันก็ขบดแล้วตัวแทนอาตมาไม่ได้พูดเกินจริงนะแช่แม่อาจารย์สังเกตอาตมามีผู้รับรองนะอาตมาไม่ได้พูดมีผู้รับรองไม่ได้พูดเกินจริงอำนาจที่สามก็เป็นเรื่องธรรมดาของรัฐธรรมนูญ อำนาจที่3ามก็ต้องตามนิติรัฐนิติธรรม็พูดแลวปากเกียปากแฉะอยู่เนี่ยเสร็จแล้วเขาก็กำลังทรยศต่อพูดไปกฎหมายมีว่าไปแต่กูก็จะละเมิกดกฎหมายทุกวันเนี่ยเช่นขออาภัยต้องพูดความจริงจับก็จัดติดคุกก็ติดตำรวจมีหน้าที่ที่จะจับนักโทษมาลงโทษกลับไปสู่ฮกให้ตำรวจ ไอ้ตำรวจไปสูงให้ตักโทษแล้วมันไม่ผิดกฎหมายเลยแล้วเขาก็ทำกันอย่างหน้ามแม่อาตมาไม่ได้พูดนะคุณพูดนะ <c oughs> แล้วก็เฉยอยู่งั้นแล้วก็เบิเปิดแม่เสนอหน้าสง่างามงามตายละ่ะนี่คือประเทศไทยอันน่าสลดน่าโศกเศร้า หน้าขายหน้าสรุปแล้วที่อาตมายกตัวอย่างแค่นี้ที่จริงไม่มีมากกว่านี้อันนี้มันก็ชัดเจนเพราะประเทศไทยไม่ได้อยู่ในภายใต้กฎหมายไม่ได้อยู่ภายใต้กฎรัฐธรรมนูนแล้วอำนาจที่สามนี้ที่จริงๆเขายกเป็นอำนาจที่หนึ่งของประเทศนะแต่มันสัมพันธ์กันระหว่างประชาชนในหลวงกับรัฐธรรมนูญ แต่ในหลักเกณฑ์ของกฎหมายของรัฐธรรมนูญทั่วโลกเป็นสากลแม้ที่สุดประเทศที่มีททปรัฐาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในหลวงของทุกประเทศก็ยังเป็นผู้ที่มีอำนาจรัฐาธิปัตยอยู่นั่นเองตามหลักสุรีมล อ, อม เป็นสากลทั่วโลกแมป้ประเทศที่ไม่มีพระมหาัรย์ก็ต้องยอมรับหลักเกณฑ์นี้สุปพรีมรออันนี้เพระเาะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยกฎหมายเองทำอะไรตัวเองไม่ได้ ก็เหลือแต่ประชาชนกับพระเจ้าอยู่หัวทีนี้พระเจ้าอยู่หัวก็ต้องเห็นพระไทยท่านว่าท่านเองท่านเป็นผู้ที่จะต้องทรงอยู่ระหว่างกลางของลูกทุกคนเช่นพ่อแม่มีลูกอยู่สองคนคนหนึ่งมันชั่ว คนหนึ่งมันดีดีลูกชั่วและลูกดีก็คือลูกพ่อก็เลยยากมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นลูกดีต้องช่วยกันเพื่อที่จะช่วยกันจัดการลูกชั่วที่เป็นลูกของพ่อเดียวกันอย่าให้พ่อต้องลำบาก เพราะพ่อคือพ่อของลูกทั้งสองคนนี่คืออาตมาเข้าใจน้ำพระทัยในหลวงแต่โดยสัจจะอาตมาไม่พูดต่อว่าแล้วลูกคนไหนควรจะต้องขออภยัยควรจะสงบควรจะหยุดควรจะเลิกควรจ ะ, รจะขออภัยพูดให้ชัดลมหายใจจาบไปเลย ลูกคนไหนนี่อาตมากำลังอธิบายสัจธรรมนะอาตมาไม่ได้ไปลบหลู่ไม่ได้ไปรังแกไม่ได้ไปพูดด่าทอไม่ได้ไปพูดร้ายให้ใครกำลังอธิบายสัจธรรมใช่ไหมแต่พ่อทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เหลือลูกกับลูกต้องช่วยกันดูแลพี่น้องทิมลูกพ่อเดียวกันจัดการลูกคนที่ไม่ดีให้หยุด หรือให้หมดแรงไม่อยากพูดว่าให้ตายไปเสียฟังใดีนะไม่อยากพูดนะให้หมดอำนาจให้หมดอำนาจให้หมดอำนาจก็ได้เนี่ยตามา ก, กำลังอธิบายสัจธรรมในฐานะอาตมาเป็นนักธรรมะที่เป็นกลางพูดอย่างเป็นกลางไม่ได้โกรธได้เคืองหรอกเพราะอาตมาเชื่อกรำเชื่ อ, อวิบากใครทำเชื่อก็เป็นกรรมสกุกตตากรรมเป็นของของเขา บาปเป็นของเขาบุญเป็นของเขาโดยสัจจะอะไรชั่วก็คือชั่วของคนนั้นบาปของคนนั้นอะไรดีก็ดีของคนนั้นของคนนั้นพูดมาถึงตรงนี้แลสรุปยอดแล้วหน้าที่ของใครหน้าที่ของใครของประชาชนขยายความแจกวิพังของการเมืองหรือรัฐศาสตร์มาถึงขั้นนี้แล้วฟังเข้าใจนะ ประชาชนที่ยังเป็นไทยเฉยตื่นสักทีตื่นสักทีออมารวมตัวกันเพื่อที่จะแก้วิกฤตตอนนี้วิกฤตหนักแล้วถ้าเผอว่าประชาชนไม่ร่วมมือร่วมใจกันออกประชาธิปไตยคืออะไรอาตมาพูดแล้วพูดอีกพูดอีกพูดแล้ว ทำไมมันไม่น่าจะเข้าใจยากเลยบักเขียบเอ้ยภาษาอีสานเจ้าฟังหูควมำ่อยเว้าววออัตมาว่าไอ้น้อยนาที่มันอยู่หน้าอัตม า, ามันฟังมันคงรู้เรื่องแล้วแหละแต่ทําไมคนที่ได้ยินอัตมาพูดมันไม่รู้เรื่องมันสู้ไอ้น้อยนาุกลูกนี้ไม่ได้หรือเปล่าอัตมาว่าไอ้นามันรู้เรื่องแล้วล่ะ เคยในหลวงเคยพูดว่าเราต้องพยายามที่จะส่งเสริมคนดีให้มีอำนาจแล้วก็คนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจในหลวงถ้าจัดได้ขนาดก็สุดยอดแห่งเตมีใบแล้วอาตมาเคยบอกว่าในหลวงพระองค์นี้นี่อาตมาขออภัยที่อาตมาบางอาจไปใช้คำว่าสงสารท่า น, นอาตมาขออภัยนะใช้คำว่าอาตมาไปสงสารท่าน ที่จริงท่านสงสารคนทุกคนนะแต่อัตมาก็ซ้อนบังอาจไปพูดเท่านั้นแหละซึ่งเป็นความจริงจากใจอาตมาก็พูดไปท่านเองท่านบำเพ็ญปางสองปางเป็นพระพธิษัตที่บำเพ็ญปางแต่มีวบกับมหาชนกที่จะต้องไม่เห็นฝั่งก็ต้องไหว้ไหว้ไปไหว้น้ำไปไม่เห็นฝั่งก็ไหว้ไป ยังไม่รู้เลยว่าฝั่งตรงไหนก็ตามมีความอุสาหะมานา น, านะเต็มที่อย่างเดียวบํเพ็นถ้าใครเข้าใจที่อาตมาพูดท่านบําเพ็ญปางเตมีไม่กับพระมหานพิทกไม่จะพูดเล่นนะนี่เรื่องจริงประชาชนต้องออกมาช่วยกันแล้วรู้ข้อจำกัดของที่อาตมาพูดไปไหม ข้อจำกัดในสิ่งที่พ่อเราจะต้องเป็นพ่อเพราะงั้นลูกๆหรือประชาชนต้องมาทำหน้าที่ที่ควรทำอย่าไปให้ไประคายเคืองความเป็นพ่ออตมาว่าวันนี้อตมาอธิบายเหตุการณ์บ้านเมืองหรือรัฐศาสตร์ที่มันเกิดจริงเป็นจริงอยู่นี้ ให้ฟังกันรู้เรื่องไหมเด็กๆรู้ไหมโอ้เด็กนี่ฉลาดจังเลยเรื่องลูกปูอธิบายเก่งกว่ะฮะแต่เด็กๆ<พ>รู้เรื่องได้พอท่านสงสัยผมสงสัยทำไมข้าราชการทั้งหลายนี่พราะท่านไอหลวงก็พระรชาชลามดมาแล้วหกสิบกว่าปีเลยสิที่พราเ้มาเปิดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับไอนะหลวงพระราทานโครงการพระราชดำริสี่พันสี่ร้อยสามห้าโครงการแต่ข้าราชบริการ ทำไมถึงไม่ปฏิพันธ์ทำไมไม่ปฏิบัติตามปฏิบัติอีกเรื่องหนึ่งาะก็สงสัยคเขาท่านพองกันตอบตอบได้ตอบได้ตอบให้คลายสงสัยก่อนว่าข้าราชการตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสตอบนกลางนี้ก่อนนีคนก็ค้นพบไอ้สปรีมรอนี้มาได้ที่อาตมามีหลักฐานเป็นตัวพยัญชนะนี่อยู่สปรีมรอนะ กฎหมายกับพระราชอำนาจนะเอาให้อ่านด้วยก็ได้เอาอ่านพลรากราฟแรกเอาบนอันเดียวกันได้ตามหลักสากลนะอินเซอร์เอาไปข้างนอกเ อ, เอา้ออินเร์แล้วตามหลักสากลที่เป็นความจริงแท้ Reality ความมั่นคงแห่งชาติเป็นกฎหมายสูงสุดเดว่าเนชั่นเซคูริตี้ความมั่นคงแห่งชาติเป็นกฎหมายสูงสุด อ s ส u p r ปร e ม a อเนี่ไงเป็นกฎหมายสูงสุดคือความมั่นคงย่่งชาบนะเซกูริตี้นิชเ่นเนี้ยนะก็คือซูเปริมลอเนี่ยแหละเหนือกว่าหลักนิติธรรมนะหลักนิติธรรมทั่วไปก็คือดู u l e of law เหนือกว่ากฎหมายหลักคือรัฐธรรมนูญ r ร n c i p l e l a อ สูตรพิมพ์ล้เนื้อก็ดอลลออฟลอเนื้อก็ปริสิิ์อลอและเนื้อกกฎหมายสามัญแน่นอนเขามันลอเอาพระกราศเดียวนี้ก็พอนะเป็นกฎหมายสากลซึ่งมีเนื้อหาต่างๆชัดเจนนะเอาอีกตัวนึงก็ได้เอาอีกพระกราศนึงก็ได้ทุกระบอบกษัตริย์อันนี้ก็ได้ทุกระบอบกษัตริย์ กษัตริย์ดํารงสถานะเป็นตัวแทนแห่งอํานาจอธิปไตยแห่งรัฐคือรัฐาธิปัตย์กษัตริย์ดํารงสถานะเป็นตัวแทนแห่งอํานาจอธิปไตยแห่งรัฐเล็กสั้นๆโดยสัตว์ว่ารัฐาธิปัตย์ด้วยเหตุนี้จึงทรงดํารงเป็นองค์รัฐาธิปัตย์นี่เขาสรุปไปแล้วอัตมาพูดก่อนด้วยเหตุนี้จึงทรงดํารงเป็นองค์รัฐาธิปัตย์เป็นความจริงที่กฎหมายระหว่างประเทศ ให้การยอมรับอยู่สินี่คือหลักฐานที่อาตมานำมาประกอบในการพูดว่าอาตมาก็มั่นใจเพราะมีหลักฐานอันนี้อยู่ที่เป็นสากลนะเพราะงั้นในประเทศไทยขนาดนี้อาตมาขยายความไปแล้วเมื่อกี้นี้ว่ามันต้องประชาชนเท่านั้นตอนนี้อธิปไตย ระดับหระดับสี่ระดับสามระดับสองอัตมาขยายความหมดแล้วระดับหนึ่งอยู่ที่ประชาชนประช า, ะาธิปไตยอธิปไตยเป็นของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนประชาชนไม่ทำแล้วจะให้ผ่านชนมาทำได้อย่างไร ถ้าประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศอยู่นี้ไม่กระทําโดยเฉพาะประชาชนที่รู้อยู่ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีประชาชนที่ควรจะเข้าร่วมกลุ่มรวมหมู่ควรจะแยกหมู่แยกกลุ่มขออะไรนั้นนี่ไม่ได้พูดในเพื่อให้แตกแยกแต่มันเป็นสัจจความจริงที่สาทะยายความจริงเท่านั้นควรจะต้องมาร่วมมือกับกลุ่มใด ฝ่ายใดที่จะทำการให้สิ่งที่มันไม่ค่อยดีทำให้มันเกิดเดือดร้อนลำบากลำบนอยู่ในประเทศขณะนี้เนี่ยต้องหยุดไม่ได้ยุดยแยให้ไปฆ่าแกงทำร้ายทำลายกันนะระบอบประชาธิปไตยนั้นส ง, งบสันติภาพเรียบร้อยไม่รุนแรงแต่มาใช้สภาวะโชว์อำนาจโชว์อำนาจ สแสดงความเป็นอำนาจหนึ่งคนหนึ่งเสียงประชาชนเมืองไทยมีหกสิบห้าล้านคนถ้าทั้งหกสิบห้าล้านคนนี้ออกมาโชว์เสียงยกมือพร้อมกันหกสิบห้าล้านคนไม่เอาแล้วสภาพนี้ปฏิบัติขบวอย่างนี้ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูนที่เป็นถือว่าเป็นทุกคนต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญผิดรัฐธรรมนูญนี้ไม่เอา ออกมาชี้หกสิบห้าล้านคนออกมาชี้เขาจะไม่หยุดได้ไหมเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงได้ไหมเอาละมันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้คนหกสิบห้าล้านคนออกมายืนยันชี้พร้อมกันน้อยกว่านั้นก็ลงมาสามสิบล้านคนก็ออกมามายืนยันที่แสดงความจริงอะเอาละสามสิบล้านคนมันออกมาพร้อมกันก็คงยาก แต่อัตมาว่าถ้าเผื่อว่าคนไทยตื่นจริงๆแล้วมีปัญญาแล้วรู้ว่าจะต้องทําอย่างนี้ออกมาแสดงตัวเลยแต่ละวันก็ออกมาประกาศเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้เอาเรื่องนี้คุณหยุดคุณออกคุณเลิกไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาออกไปยืนยันจริงอัตมาว่าเรื่องที่ชัดเจนที่คุณจะต้องเห็นร่วมกันเลยในคนไทยมีแล้วชัดเจนแล้ว ออกมาชี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอามวลที่ออกมาชี้พร้อมกันในต่างจังหวัดทุกจังหวัดก็ตามแสดงเรื่องเรื่องเดียวกันแม้จะคนละวันแม้จะคนละเวลาแม้จะคนละวันคนละเวลาแต่ก็ทําอยู่ทั้งนั้นเลยพร้อมๆกันวันนี้ก็ทำในนาที่ออจังหวัดนี้ทําหมู่กลุ่มนี้ทําอําเภอนี้ทำหมู่บ้านนี้ทําตําบล น, นี้ทํา ทำทำทำทำแต่เรื่องนั้นตรงกันหมดก็คือสิ่งเดียวกันนั่นแหละเป็นการชี้เป็นความต้องการของประชาชนประชาชนต้องการอะไรก็เป็นการชี้ชัดอันนั้นนี่คือลักษณะของประชาธิปไตยเป็นการแสดงออกไม่ได้มาฆ่าแกงกันแต่มีสิทธิมนุษยชนที่จะแสดงออกว่าฉันต้องการอันนี้ฉันไม่ต้องการอันนี้เอาไปยืนยันสิ ถ้าคุณนอนหลับไม่รู้คู่ไม่เห็นมีแต่ทามาหากินใครจะเป็นจะตายอย่างไรจะคู่ก็ไม่รู้ใครจะขึ้นมาลงชาอย่างไงจังหัวมันกูไม่เกี่ยวคนที่เอาเล็บอิดบีมาใช้เนี่ยอย่าไปตามเขาเลยต้องเอาภาระบ้างช่วยประเทศชาติช่วยสังคมบ้างถามว่าท่านครับสังคมเลวเพราะคนดีท้อแท้ พอคนดีเห็นแก่ตัวหรือเปล่าครับเห็นว่า<ช>กลัวจะเปื้อนกลัวจะเสียราบยศสารเสริญนั่นก็ถูกต้องนั่นก็ถูกต้องสังคมที่ทั่วนี้ที่มันแย่เพราะว่าคนดีเอาเต่นิ่งเฉยถูกต้องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบ้านเมืองต้องการพลังมันนี้พลังอธิปไตยของประชาชนไม่ใช่ต้องการมีดปืนหน้าผาหน้าไม้ความรุนแรงการทะเลาะกันไม่ไม่ต้องการ ต้องการการยืนยันสิ่งที่ควรขอแรงประชาจนออกมายืนยันสิ่งที่ควรนี่หน่อยได้ไหมจ๊ะ <c oughs> นี่เป็นลีลาของโพธิรักน่ัจจคีตาว า, าวทิตะโพธิรักเป็นศิล ป, ปะชนิดหนึ่งสื่อว่าที่จะให้ฟังดูมันไม่รุนแรงไม่ไม่ดูหยาบคายมันไม่ดูดูเดือดอะไรนัก แต่เรื่องกำลังพูดนี่ดูเดือดไหมดูเดือดไหมโอ้โหอาตมา ก, กำลังแสดงหนังบูเลยแหมอาตมาไม่ได้แสดงหนังบูนะตอนนี้ก็ไม่ใช่หนังบูนะนี่เป็นหนังที่โรแมนติกออกจะตายฮะ ใ, ใช่ไหมโอ้เป็นหนังที่ชื่นใจชื่นใจนะไม่ใช่หนังบูแห่นแหลกเลือดหยดอะไรไม่ใช่หนังโรแมนติกออกเนี เข้าใจแล้วนะว่าหนึ่งอธิปไตยหรือประชาธิปไตยคืออะไรอะตอบเองพูดเข้าใจก็รู้ไม่เข้าใจอธตมารก็สรุปตอบอีกด้วยว่าอธิปไตยหรือประชาธิปไตยอธิปไตยของประชาชนคือทุกคนออกมาสแสดงความเป็นเจ้าของอำนาจเ อ, อกมายืนยันยืนว่าฉันมีสิทธิมนุษยชนอันนี้ฉันต้องการอันนี้ฉันไม่เอาอันนี้ออกมายืนยัน เพราะฉะนั้นท่ายืนยันเรื่องใดออกมาแล้วขาน ร, รับกันสิเพือเห็นตรงกันจังหวัดนี้ออกมาขานรับว่าเออไม่เอาอันนี้จังหวัดนี้เออเห็นด้วยไม่เอาอันนี้ไม่เอาอ น, นี้ขานในรอบประเทศไทยเลยจังหวัดนั้นหมู่บ้านนี้ออกมาเลยกลุ่มละสามคนกลุ่มละสิบคนกลุ่มละร้อคนกลุ่มละพันคนกลุ่มละหมื่นคนกลุ่มละแสนคนออกมายืนยันตรงกันปั๊บเลยสําเร็จมันยืนยันตรง น, นั้นไม่ใช่เอาปีกพาคระทาขานมาตีกันไม่เทียงกับใคร แสดงสิทธิมนุษยชนเท่านั้นและเป็นอิสระเสรีภาพที่เราต้องการอันนี้และพวกเราคนแต่ละคนก็เห็นด้วยนี่เป็นคะแนนเสียงเดียวกันมันเห็นวันนี้ในต้องการอันนี้ไม่เอาอันนี้ต้องกา ร, รอารนันนี้อันนี้ไปเอาเลิกเลิกิกันเลยหยุดห ย, ดยดอันนี้ทําำท ำ, ท ำ, ทำเอาอันนี้เอานี้เอ า, centric, เอาไม่เอาอันนี้เมื่ อ, อยือนยันขนาดนี้เราเอาความจริงที่มันเกิดปัจจุบันนี้ยนอย่างนี้ทาอย่างนี้อยู่นี่คุณีคนนี้ทําเรื่องอย่างนี้คุณทําอยู่ขนาดนี้ ไม่เอานะคุณเสนอขึ้นมาแสดงออกมาคนนี้เห็นด้วยออกมาขานรับกันในทั่วประเทศเลยนี่คืออำนาจอธิปไตยของประชาชนนี่คือประชาธิปไตยข้อภัยที่พยายามแสดงตัวเป็นครูสอนรัฐศาสตร์วันเนี้เคยเคยฟังเพราะท่านสอนพูดว่าประชาธิปไตย ที่แท้จริงยังไม่เคยมีในโลกใช่ไหมครับเพราะท่านกาลังสอนประชาธิปไตยให้พวกเราที่จ ะ, จะให้มีในโลกที่จะให้มีในโลกครับเพ ร, ะราะฉะนั้นออกมาถ้าไม่ตีกันเลยไม่ฆ่ากันเลยไม่รุนแรงกันเลยนั่นคือประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบที่สุดอัตามายังฝันกลางวันแสบๆอยู่เลยว่าประเทศไทยจะทำความเป็นประชาธิปไตยอัน ง, งดงามนี้ได้ ถ้าเราออกมาแล้วมายืนยันถ้าสามารถเอา้าออกมายืนยันอันนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้จะปักหลักเลยออกมานั่งอยู่กลางถนนกันแล้วก็สงบนั่งสงบไปหมดเลยกลุ่มนี้ก็นั่งสงบกลุ่มนั้นเอา้าทุกคนนั่งสงบวันวอเวลานอนั่งกันอย่างนี้เลยพร้อมกันทั้งประเทศนับหมวนได้เลยสิบล้านคนสิบห้าล้านคนยี่สิบล้านคน นั่นคือเสียงหนึ่งเสียงเดียวคะแนนสิทธิ์ที่มันต้องการอันนี้ตรงกันในประเทศยิ่งกว่าเป็นลงคะแนนเสียงเรื่องตั้งผู้แทนทึ่เป็นประชาธิปไตยอันดับผ่าอันดับสี่อันดับสามอะไรนี่แหละประชาธิปไตยอันดับหนึ่งเอออาตามาพูดนี่ผิดมั้งไหมเนี่ยเดี๋ยวเช็คจากอาจารย์สมเกียรตินี่เนี่ยอ่ะอาตมาผิดบกพร่องตรงไห น, น แก้ให้อัตมาด้วยมีไหมไม่มีเลยเหรอเนี่ยอัตมามีใครที่ฉลาดกว่าอาจารย์สุขเกียรติรู้มากอาจารย์สุเกียรติตอนในที่นี้ยขอเช็คหน่อยใครมีไหมนั่งในทิณตอนนี้อาไม่มีก็เอาอาจารย์สุขเกียรติเป็นหลักแล้วกันเช็คแล้วว่าอัตมาพูดนี่ไม่ผิดคนทั้งบ้านก็ช่วยฟังด้วยไม่ใช่อัตมาอวดเก่งอะไรหรอกอัตมาเข้าใจประชานทิปไตยแบบนี้ และก็ะต้องการให้เป็นแบบนี้อยากให้เป็นแบบนี้ประเทศไทยจะทำแบบนี้ได้ไม่เอ่ยทำแบบนี้ให้แก่ประเทศไทยได้บ้างไหม น, นี่คือลักษณะความเป็นประชาธิปไตยอาตมาใช้เวลาในรายการนี้สองชั่วโมงชั่วโมงเสร็จเสรได้อธิบายเรื่องนี้แล้วเหลือเวลาที่เหลือจะขออธิบายเรื่องคนจน อธิบายเรื่องคนจนอธิบายเรื่องความก้าวหน้าของมนุษ ย, ยชาติดังที่ในหลวงท่านตรัสเป็นเนื้อหาทางเศรษฐกิจอันนี้มันพูดไปแล้วเป็นเนื้อหาทางรัฐกิจรัฐศาสตร์อันนี้ขอพักมาพูดทางด้านเศรษฐกิจหรือรัเศรษฐศาสตร์ขั้นการของในหลวงนั้นเอาแบบคนจนไม่ใช่เรื่องเกินเลยไม่ใช่เรื่องที่ดัตจริตพูดให้มันไม่เข้าทา่า โกโก้เก๋เตะไม่ใช่เป็นเรื่องจริงที่พิสูจน์ได้ต้องขออาภาัยลุงหน้าไว้ก่อนเพราะถ้าพูดไปแล้วเราจะต้องยกตัวอย่างสิ่งที่เกิดได้เกิดจริงเกิดเป็นและตัวอย่างที่ว่านั้นมันจะเข้าเนื้ออัตมาระเข้าเนื้อชาวาโศกเพราะจะต้องยกอ้างชาวอาโศกเป็นตัวอย่างจริงไม่จริงคุณทดสอบได้ จริงไม่จริงคุณตรวจสอบได้เอาอย่างคนจนทําแบบคนจนตามที่ในหลวงท่านตรัสไม่ได้หลอกไม่ได้ล่อเป็นความจริงแล้วคนจนจนอย่างไรจนอย่างสิ้นไรไม้ต่อจนอย่างโงโ ง, โงงเงาเงาจนอย่างสุรุ่ยสุรายฟุ้งเฟ้อฟุ่งเฟือยผาน ผ, า น, ผานพลา จนอย่างเป็นทาตสังคมสังคมก็บอกว่าไอ้นี่น่าได้น่ามีหน้าเป็นจะต้องได้อันนี้เอาขี้หมาทาสีมาหลอกขายโอ้แย่งชิงกันเขาขึ้นราคาหลอกเท่าไหร่ก็ไปเอาเยอะเลยทุกวันเนี้หลงเป็นแฟชั่นหลงเป็นอะไรก็ไม่รู้ยเยะเทอะแม้แต่ชูอํานาจอํานาจที่มันได้มาอย่างไม่สุจริตก็หาทางที่จะ ทำงี่สิทำงี่สิจะได้ตำแหน่งอำนาจจะได้ยศศักดิ์ก็นิยมกันทั้งๆที่มันไม่ค่อยซือ่อไม่ค่อยตรงทุจริตก็เป็นแฟชั่นกันจนกระทั่งทุกวันนี้จนกระทั่งถือว่าตำแหน่งนี้ราคาเท่านี้นะตำแหน่งนี้ต้องราคาเท่านี้นะไม่ได้ราคาเท่านี้ไม่ได้ขึ้นล็อกเองเลย จนพูดกันจนยืนยันกันจนช่างกันนี้เลยต้องมาต้องหาเงินมาไว้สําหรับซื้อตำแหน่งก็เลยเกิดความโลภ ก, กันจะต้องหาเงินได้สุจริตไม่พอก็ต้องทุจริตออกมาไม่เช่นนั้นเราไม่ได้ขึ้นตำแหน่งหรือไม่ได้รับความเคารพมีหน้ามีตาในสังคมเป็นนักธุรกิจก็ตามเป็นคนสามัญก็ตามต้องรวยต้องมีเงินต้องมีบ้านหลังใหญ่ต้องมีรถยี่ห้อ แบรนเนมขีกลับเข้าบ้านกินข้าวข้าป้างก้างประทูเพราะถ้าไม่ได้ขี่รถคันโก้มันก็หน้าใหญ่ไปอวดอ้างแต่จริงๆเบื้องหลังที่บ้านนั้นไม่มีอะไรจะรับประทานกินข้าวกับก้างประทูขอให้หน้าใหญ่อวดอ้างไว้ก่อนเยอะในประเทศในสังคม สรุปข้าเป้าก่อนว่าความจนนั้นเป็นโทษหรือเปล่าความจนไม่เป็นโทษความจนเป็นทุกข์หรือเปล่าความจนไม่เป็นทุกข์คนที่ไม่มีภูมิปัญญาเท่านั้นที่เมื่อจนจนหมายความตื้นตื้นง่ายๆว่าไม่มีเงินทองไปของตนเองไม่มีทรัพย์สินมากมายนี่เป็นความหมายตื้นตื้น คนที่ไม่มีทรัพย์สินมากมายไม่มีทรัพย์สินเป็นของตนเองแล้วเรียกคนนั้นว่าจนเป็นความทุกข์หรือเปล่าโดยสัจจะประมาจารย์ทำไม่ทุกข์เพราะความจนไม่ได้อยู่ที่ไม่มีทรัพย์สินความจนอยู่ที่ไม่ทำงานความจนอยู่ที่ความทำงานไม่เป็นความจนอยู่ที่แม้จะเป็นแม้จะเก่ง แต่มันขี้เกียจนั่นคือความจนผมผมรู้สึกว่าทั่วทั่วนี้คนไทยจนจนนำใจแล้วจนปัญญาอพอท่านรู้สึกยังไงจนแรงงานที่<น>ควรทาจนปัญญาด้วย <c oughs> สรุปแล้วความจนในความหมายตื่นตื่นนั้นไม่ได้พาให้ทุกข์คือการไม่มีเงินไม่มีทอไม่มี้องตนไม่มีบ้านเต่าช่องเรือนชาน ไม่มีสมบัติเป็นของตอนเองเป็นอนาคาริกชนภาษาวิชาการของทางาศาสนาเรียกว่าอนาคาริกชนแปลว่าเป็นคนไม่มีบ้านช่องเรือนชานทรัพย์สินคาดเป็นของส่วนตัวอนาคาริกระชนอาตมาเขอเอภัยต้องยกตัวอย่างตัวเองอาตมาทิ้งทรัพย์สรินคาดบ้านช่องเรือนชานมาเป็นอนาคาริกชน มาเป็นคนไม่มีบ้านช่องเดือนชานทรัพย์สินการเป็นของตนเองเลยจนถึงทุกวันนี้แต่คนก็จะตู่ว่าอะไรไม่มีรถก็มีขี่เขาเรียกเรนะ้ามารถพ่อท่านไปดูในเจ้าของทะเบียนก็ไม่ใช่ของอาตมาอาตมาก็ไม่เคยว่ายึดถือเป็น รถอาตมาท่านหน่อยคนเขาเอามาซื้อมาให้ใช้ขอไปถ้าอาตมาจะพูดอย่างเท่ชะมัดเลยคือไอ้รถที่เอามาให้อาตมาใช้เนี่ยเขามายัดเยียดนะจ๊ะเท่ไหม <S <S อ้าวอจริงขอพูดต่อในเรื่องจริงคนที่ซื้อรถกลุ่มที่ซื้อรถ อาจจะไม่ใช่คนเดียวหลายคนกลุ่มร็กขรวมกันซื้อมาให้อัตมาใช้เนี่ยเขาบอกรถคันนี้มันแปดปีแล้วพอท่านจะซื้อคันใหม่มาเปลี่ยนอัตมาว่ามันยังใช้ดียังแค่ดีย่าไปซื้อนี่คือเรื่องจริงเขามาบอกแล้วอัตมาบอกยังยังยังรถคันนี้ก็ยังใช้ดีอยู่เขาบอกมันเก่าแล้วแปดปีแล้วจะเอาคันใหม่มา อาตมาบอกอย่าเพิ่งข้อภัยท่าพูดแล้วมันเหมือนเท่ชะมัดเลยอาตมามันไม่เท่หรอกแต่มันเป็นจริงเล่าให้ฟังเท่านั้นจิตใจอาตมาไมไ่รู้สึกเท่แท้อะไรหรอกคืออาตมาเห็นสัจธรรมอยู่อย่างถ้าเราทําดีทําเพื่อประชาชนทําเพื่อผู้อื่นทําไปเถอะและคนจะอุปการะคนจะเกื้อกูลช่วยเหลือเฟอ้อไฟเขาจะช่ว ย, ยจริงๆขาดเหลือนั้น น, น, นี้เขาจะช่วยบุญ น, นุษย์อะ สนับสนุนช่วยเหลือต่อจุดต่ออะไรแต่รเอาไว้ให้เราทําให้สะดวกให้ทําได้คล่องตัวทําได้ปลอดภัยอะไรต่างๆนานาพวกนี้อันนี้พะสดุสัจธรรมเลยเขาให้จริงเถอะคนก็เชื่อถืออย่ามาหลอกหลอกคนอย่างเน้นคําก็หลอกได้อัตมาไม่เอาหลอกอย่างั้นมันโง่ตายแต่เขาว่าเขาฉลาดนะอัตมาว่าโง่ไอ้อย่างนั้น อาตมาว่าอย่ามาทําอย่างนี้ฉลาดมาเป็นคนจนนี่ฉลาดชะมัดเลยสอดคล้องกันในหลวงอย่างน้นอยอาตมาก็มีในหลวงเป็นเป็นครูมีในหลวงเป็นพระปัญญาแนําพาอาตมาก็มาจนแต่จนไม่สิ้นไรไม่ต่อหนึ่งเรามีสมรรถนะความรู้ความสามารถเราทําความรู้ความสามารถนี้อยู่ อาตมาไม่ได้ออมมืออาตมาไม่ได้งอมืองอเท้าอาตมาไม่ได้ขี้เกียจอาตมาไม่ได้คดคูอยู่รูบลกเปรี้ยงอาตมาอยู่กับสังคมทำงานกับสังคมเท่าที่เรามีสมรรถนะมีความรู้อันควรทำกับสังคมอะไรแต่ก่อนในอาตมาเคยผิดพลาดทำอยู่เช่นอาตมาไปแย่งล่าคนอื่นอาตมาเคยทำเชื่อไหมอาตมาไปแย่งล่าคนอื่นนเคยทำนะยังได้พอได้ด้วยนะ อัตมาเนี่ยมีรายได้ตั้งแต่สมัยสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วหนุ่มเพราะขออะไรเดี๋ยวนี้ก็ยังหนุ่มอัตมาได้รายได้เงินมันค่าสูงเงินไทยรายได้เดือนละสองหมื่นในขณะคนอายุยี่สิบกว่าสามสิบปีรายได้นายกรยัฐมนต ร, ร, รีต่อ น, นั้นแปดพันห้าแต่โพชิรักได้สองหมื่นแล้ว ที่รถติดแอร์ก่อนเพื่อนรุ่นทุกคนแอร์ยังไม่มาในตัวรถต้องซื้อแอร์ข้างนอกมาติดไอไดนามมันก็ปั่นไฟไม่ค่อยทันพอไปใช้รถติดอยู่ในกรุงเทพต้องลงไปเข็นรถใหม่ที่ติดแอร์นี่คือประสบการณ์แท้จริงเพราะรถมันยังไม่ค่อยจะแผ่ไปคอมันยังไม่ส ม, สมบูรณ์ดี เอาเครื่องแอร์ที่ต่างหากเอามาใส่รถก็ต้องดัดแปลงติดใหม่ไอ้ไดนมัวก็ยังเป็นของยุโรปมันยังสู้ของญี่ปุ่นไม่ได้นะเดนมัวญี่ปุ่นนี่นำหน้าไดนมัวยุโรปนะมันต้องให้อัตมาไปเข็มตากหน้าอยู่กลางถนนหลาทีเลยติดรถติดแอร์คินโก้คันแรกยังหาไม่ได้อัตมาขี่รถติดแอร์มาแล้วก่อนเพื่อนเพื่อนรุ่นมันจบดอกเตอร์มาบอก ไปเลียงรุ่นเนี่ยเขาเป็นด็อกเตอร์รับราชการเป็นซีเท่านั้นเท่านี้แล้วเลี้ยงเสร็จจะจ่ายเงินอาตมาบอกลื้อยังขี่รถราชการหมดสิว่าขี่รถตัวเองติดแอร์ด้วยอูไปคนจ่ายนี่คือเรื่องจริงเรื่องประสบการณ์ที่ผ่านมาแต่เพื่อนคนด็อกเตอร์ที่ว่านี่มันตายไปแล้วเพื่อนรุ่นเดียวกัน รุ่นเดียวกันกับวีระจิตจาธรุ่นเดียวกันคนนี้คือประยูย์ดีมาจบด็อกเตอร์ก่อนเพื่อนอาจจะมามันได้แต่ดอกเตอไม่ได้ไอ้อันนี้ขอเล่ามันสนุกขอเล่าแถมนิดหนึ่งดอกก็เตอเนี่ยมีเด็กของเราคนหนึ่งอยู่ที่สัตย์อสุก็เรียนชั้นประถมเรียนภาษาอังกฤษ เขาก็เรียนมาเขาก็รู้ว่าดอกนั่นแปลว่าหมาเขาก็มาถามแม่แม่แม่ไอ้ดอกนั่นมันแปลว่าหมาแล้วเติมแปลว่าอะไรแม่เขาวเ <c oughs> อ, อินโนเซนต์เขก็ถามแม่เขาแม่ก็ตอบไม่ได้ไม่รู้จะตอบว่างไงเพราะมันเป็นคำภาษาเออแถมไปนิดหน่อยมาเข้าเรื่องเรื่องของ ความจนเรื่องของความก้าวหน้าที่ถอยหลังเข้าคลองการก้าวหน้าอย่างสังคมเป็นสังคมโลกีอวดลาบอวดยศอํานาจอวดสรรเสริญอวดบำเบลบํารุงกันด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกามรมรลมจัดจ้านรูปจัดจ้านรสจัดจ้านกลิ่นจัดจ้านเสียงจัดจ้านกามคุณท่าจัดจ้าน โชว์อัตตาตัวตนใหญ่เบงนั่นคือโลกกิยะโลกธรรมเขานิยมอย่างนั้นเขาพากันเป็นอย่างนั้นในหลวงของเราเป็นพระโพธิสัตว์ท่านรู้จักสัจธรรมมันนี้ท่านบอกไม่เอาลราก้าหนาแบบที่จะไปแย่งกันรวยราบรวยยศรวยสันเริญเขามาคมมาเบ่งกันรวยกันให้ฟอบ นักฟอบไปตรวจสอบคนนั้นคนนี้รวยที่สุดของประเทศระดับนั้นเดือนนี้คนนี้ขึ้นแล้วคนนี้แข่งคนนี้เอามายุมาแย่กันเพื่อเ อ, อกูก็ต้องขึ้นลําดับเลยเอามาแข่งกันเพื่อที่จะแย่งชิงอานาจให้มันมีรวยให้มันรวยกว่าเขามันก็ต้องไปเอาเปรียบคนอื่นจะต้องหาทางที่จะเอาเปรียบสุจริตไม่ได้ทุจริตไม่ได้ทุจริตไม่ได้ฆ่ามันเลยฆ่าผัวมันเสียเอาเมียมันมานี่คือระบบโลก ที่มันโหดเหี้ยมที่มันเลวร้ายในหลวงเรามีพระปัญญาที่คุณสูงทรงเป็นโล ก, กุตระธรรมไม่เอาหรอกก้าวหน้าเจริญแบบนี้ไม่เอาท่านก็ตัดเราไม่รวยแต่เราก็รวยพอตัวท่านก็ตัดเมื่อกี้ก็ฟังกันไปด้วยกันรวยพอตัว คือเราไม่ได้รวยเหลือเฟือเกินเอาไปอวดไปอ้างเอาไปแบ่งไปโขมเราใช้เงินเป็นอำนาจไปซื้อคนนั้นซื้อคนนี้ไปบังคับคนนั้นคนนี้อยู่ใต้อำนาจเงินเราไม่ใช้เงินเป็นอำนาจขอพูดย้ำอีกหมื่นทีแต่ไม่พูดเรื่เดือบข่างเสียข้างยานไม่ใช้เงินเป็นอำนาจพูดอีกทีเดียวผ่านเงินคือเครื่องใช้เป็นตั๋วแทนเลขตัวเลขที่จะใช้ในสังคมเท่านั้น เรามีปัญญารู้ว่ามันคืออันนี้มันไม่ใช่อำนาจไม่ไปใช้อำนาจไม่ไปใช้มันเป็นอำนาจคนที่ไปใช้ผิดหน้าที่ของมันเท่านั้นไปใช้เงินเป็นอำนาจมันก็เหมือนถวยเหมือนชามใช้ตามหน้าที่ของมันเงินก็คือตัวบอกราคาเท่านั้นเองคุณมารวมเงินมากๆแล้วเอาไปตีหัวคนเอาไปแบ่งบังคับคนคนโง่ก็ตกเป็นทาส เพราะฉะนั้นคนฉลาดแล้วไม่ตกเป็นธาตเงินไม่ตกเป็นตกเป็นธาตุลาบยอดสันเสอร์โลกีสุขหรือแม้แต่กามหรืออัตตาเมื่อไม่ตกเป็นทาตเราก็ต้องช่วยตัวเองรอดหลักเกณฑ์อาตมาคือหนึ่งไม่เป็นหนี้ระบบหนี้นี่เป็นระบบที่เลวที่สุดระบบสร้างขึ้นมาในระบบทุนนิยมเนี่ยหาทางให้คนเป็นหนีน้บริหารประเทศให้เป็นหนี้เนี่ยบ้านหลังแรกรถคันแรก เป็นคนไม่ฉลาดแปลเอาเองมาแปลว่าอะไรบริหารด้วยความไม่ฉลาดถึงได้รับฉายามีสัญลักษณ์ว่าไม่ฉลาดเพราะบริหารแบบไม่ฉลาดมันไม่ใช่วิธีการบริหารประเทศเลยให้คนไปเป็นหนี้มันต้องให้คนหมดหนี้ตั้งหากแล้วก็หลอกคนว่าจะให้รวยจะให้รวยแล้วเองจะให้รวยได้ยังไงวะ ที่ทำอยู่เนี่ยแต่วิธีทำเนี่ยแต่และ ว, วิธีเนี่ยจะกู้มาให้เป็นหนี้ไปอีกห้าสิบปีฮ้แล้วคนมีปัญญาเท่านี้บริหารประเทศทุกวันนี้หนึ่งไม่เป็นหนี้เพราะระบบนี้เป็นระบบเลวร้ายและโหดเยี่ยมผู้ใดหลุดพ้นความไม่เป็นหนี้ผู้นั้นเป็นเอกราช enden ทําตัวให้เป็นเอกราชให้ได้ไม่เป็นหนี้เมื่อเราสามารถทำให้ไม่เป็นหนี้ได้แล้วตนเองพึ่งตนเองให้รอดทํากินทาใช้ให้คุ้มตัวกินใช้พอกินนี่คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงกินใช้พอกินทํากินทาใช้พอเพียง เกกว่านั้นทาให้เหลือทำให้เกินเป็นลำดับที่สามหนึ่งไม่เป็นหนี้สองพึ่งตนเองรอดสามทำให้เหลือให้เกินโดยสุจริตโดยสุจริตด้วยสามารถเมื่อเหลือเมื่อเกินแล้วหลักที่สีแ่แจกจ่ายจำแนกแจกจ่ายเอื้อเฟื้อเชื้อจานเกื้อกูลผู้อื่นอย่าไปเอาสิ่งที่เหลือเกินหรือสิ่งที่เหลือที่เกินนั้นไปแจกจ่ายอย่างเอาเปรียบเอาไปเสสละคือขายต่าก็ทุน หรือแจกเลยสูงสุดแจกฟรีเลยไม่เช่นนั้นก็ขายต่ำก็ทุนอย่าไปขายเท่าทุนหรือเกินทุนเอาละทนไม่ได้ขายเท่าทุนก็ไม่ว่ากันถ้าจําเป็นจริงๆคุณยังต้องตั้งหลักตั้งตัวอยู่ก็เกินทุนก็ให้น้อยที่สุดต้องถือว่าไม่เกินทุนนั่นคือมนุษย์เจริญถ้าเอาเกินทุนนั่นคือมนุษย์ล้มเหลว เพราะฉะนั้นคนที่หนึ่งไม่เอาเปรียบใครไม่เอาส่วนเกินสร้างแล้วแจกอีกต่างหากแล้วมันจะเหลือหรือจ้าคนนี้คนนี้จะมีของตอนเองเหรอสร้างแล้วเหลือเกินกินเกินใช้แล้วก็เอาไปจำหน่ายจ่ายแจกจำหน่ายจ่ายแจกโดยไม่เอาเปรียบดีไม่ดีจ่ายหมดฟรีเลยแจกให้ไปเลยคนคนนี้จะมีสมบัติมากขึ้นหรือเปล่า สมบัติจะมีมากขึ้นหรือเปล่าไม่มากเพราะมีเกินก็ให้เขาเกื้อกูลคนอื่นสมบัติของคนอยู่ที่ไหนอยู่ที่สมรรถนะกับความขยันนี่คือสมบัติอันไม่มีใครปล้นใครจี้ได้ใครมีความสามารถมีสมรรถนะในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นสุจริตรมคุณสร้างสรรค์มาเลยและอย่าขี้เกียจคน ขยันคนที่เก่งสามารถแต่มันขี้เกียจมันก็ไม่มีสมบัติรอดก็มันไม่ทำมันทำเย่ะเยแยะแยะันมันจะพอกินพอใช้อะไรเพราะฉะนั้นสมบัติแท้ๆของมนุษย์คือสมรรถนะกับความขยันโจนก็ปล้นไม่ได้ไฟไหม้ก็ไม่ตะคนมันก็ตายไปเลยไฟไหม้ตายไปเลยถ้าไฟมันไม่สมบัตินี้ของเราไม่ได้ถ้าเราคงกับพันไฟไไม่แล้วคนเราไม่ลายไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ คุณสมบัตินั้นก็ยังอยู่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จนปลุมไม่ได้นี่คือรัพ์อันวิเศษแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างขยันและใช้สมรรถนะทำงานเมื่อยก็พักไม่เมื่อยก็เพียรอปปติทางอนาอยู่ห่งพระพุทธเจ้าทา่านตรัสผู้ไม่พักผู้ไม่เพียรผู้นั้นแหละคือผู้นิพพานข้าบโลกข้สร้ารได้แล้ว นี่เป็นคำตัดของผู้เจ้าเลยมันเมื่อยก็พักสมควรพักก็พักแต่ถ้าไม่สมควรพักไม่เมื่อยไม่ป่วยก็เพียนขยันมันเพียนตั้งสันไปมันก็เหลือก็เกินเหลือก็เกินก็ไม่กักไม่ตุนไม่ไม่เอาส่วนเกินนี้ไปออกดอกออกเบี้ยหาปันผลไปซื้อหุ้นไปซื้อกิจการที่จะได้กําไรเอาเปรียบได้เปรียบได้เปรียบไอ้นั่นวิธีคิดของคนไม่เจริญ พ้อมคนที่ถอยหลังเข้าคลองตามที่ในหลวงท่านตรัสเพราะฉะนั้นการก้าวหน้าด้วยหลักโลกียะทุนนิยมสรุปก้าวหน้าด้วยหลักโลกียะทุนนิยมนี้เป็นการถอยหลังเข้าคลองปราดเอกอย่างในหลวงเราหรือพระพุทธเจ้าไม่ส่งเสริมอตมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าก็ไม่ส่งเสริมด้วยจึงพาพวกเรามาทํา ทำอย่างพระพุทธเจ้าสอนทำอย่างในหลวงตรัสมาเป็นคนจนมาเป็นเศรษฐกิจพอเพียงจนสามารถทำให้เกิดเป็นสาธารณโภคีได้ตอนนี้จะเข้าสู่เป้าคนจนที่เป็นสาธารณโภคีสาธารณภคีไม่ใช่คำพูดของอาตมาเป็นของพระพุทธเจ้าอยู่ในสารนิยธรรมห ข้อหนึ่งคือเมตตากายกรรมข้อสองเมตตาปจีกรรมข้อสามเมตตามนโนกรรมข้อสี่นี่แหละสาธ า, ารณโพคีที่ท่านจัดยาวๆว่ามีลาบโดยธรรมลาบโดยธรรมคือลาภพฐมิกาลาบโดยธรรมก็หมายความว่าเราเองขยันมันเพียนสร้างสรรค์เมื่อสร้างสรรค์ขยันมันเพียนปลูกน้อยหนามันก็เกิดน้อยหนามาให้เรา นี่คือลาบโดยธรรมที่ดินก็ของเราแดงงานก็ของเราปุ๋ยก็ของเราเราไม่ได้ไปโกงใครเราไม่ได้ไปเบียนเบียนใครสิ่งนี้เกิดมาเป็นปติลาโพเรียกว่าลาบได้ขึ้นมาทำขึ้นมาแล้วได้โดยธรรมลาพัทธมิกาเราก็มีสิทธิ์จะใช้จะกินเมื่อมันเหลือ เราก็มีสิทธิจะแจกจ่ายจำนายจ่ายแจกคนอื่นๆโดยสิทธิเพราะฉะนั้นคนที่มีคุณสมบัติมีบารมีมีภูมิธรรมถึงขั้นอนาคามีหรืออนาคาริกชนทองเข้าของบ้านช่องเรือนชาญเป็นของตนแล้วขอภัยล่วงหน้าไว้แล้วต้องขอภัยต่ออีกทีหนึ่งอาตมาขอยกตัวอย่างชาวอโศ อย่ามามันใส่อัตมาเลยอย่ามามันใส่ชาวโศกเลยฟังทำด้วยดีไปก่อนก็นแล้วกันไม่ได้อวดตัวอวดตัวไม่ได้อยากอวดอะไรหรอกแต่มันเป็นตัวอย่างที่จะขอยกขึ้นมาอ้างอิงเพราะมันมีสิ่งที่อ้างอิงได้เป็นเรสเฟเรนซ์จริงๆมันมีตัวอย่างขึ้นในโลกแล้วก็ขอยกเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองไม่ได้มาอวดอ้างแต่คนไม่เชื่อว่า ที่มันอยากอวดจากใหญ่อยากอวดจากอ้างจริงๆถามจริงๆเถอะของดีควรอ้างไหมเพราะคุณควรอวดไหมแต่มันอวดของเลวกันดีพูดจริงๆเนี่ยนะฟังให้ทันนะคุณควรอวดความรวยหรือควรอวดความจนที่นี่ตอบไม่ถามข้างนอกข้างนอกมันอยากอวดความรวยนั่นคุณความคิดผิด ปวดความรวยมันก็เลยทักชวนให้คนอยากรวยตามคนก็แย่งกันรวยแย่งกันไม่ได้มันก็เบียดเบียนแก่งแย่งแย่งไม่ได้มันก็ทุจริตทุจริตไม่ได้โดยเลยเอาในกลในในเดคนลไม่ได้เอาในมลกถามลกถาไม่ได้่ามันเลยนี่แหละโลกมันก็แย่งรวยเพราะฉะนั้นเราหยุดแย่งรวยเรามุ่งมาจนมาเต็มใจจนมาตั้งใจจนมาจนอิลีอีหลอ จริงแล้วเราก็เป็นผู้ยืนอยู่ในสังคมอย่างคนกล้าจนกล้าจนแล้วอยู่อย่างนี้จริงๆชาวโซเราทิ้งเป็นอาณาคามีหรือเป็นอนาาอาาคามีนี่เป็นภูมิาทําของจิตจริงๆเลยแต่แม้จิตยังเป็นอาณาคามีภูมิยังไม่ได้เราก็ประพฤติเป็นอาณาคาริกชน คือคนไม่ต้องสะสมไม่ต้องมีบ้านเป็นของตัวเองไม่ต้องมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองมีของส่วนกลางทำงานอยู่กับสังคมกลุ่มที่มีวัฒนธรรมมีวิถีดำเนินชีวิตอยู่ด้วยระบบสาธา ร, รณภพอคีมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามนโนกรรมของใช้เป็นสาธารณภอคีช่วยกันสร้างราพธมิกาช่วยกันสร้างราบโดยธรรม ขยันมันเพียรสร้างขึ้นมาแล้วก็ามารวมกันจริงกันใช้ทำเท่าไหร่ก็เอาเข้ากองกลางหมดเป็นระบบเสียภาษีร้อยเปอร์เซนประเทศไหนทำได้บ้างขออภัยประเทศอโศกทำได้ใสภาษีร้ยเปอร์ซทำได้เท่าไหร่เอาเข้ากองกลางหมดไม่ยักไว้เลยด้วยความเต็มใจ คอมมิวนิสต์พยายามจะรีดนาทาเรียนภาษีจากคนรวยมันก็มิดเมียนมันก็โกมันก็หลบมันก็เลี้ยงมันก็ไม่ค่อยอยากให้ผู้บริหารก็รู้ทันก็พยายามตามมาเคยเองหลบเองเลี่ยงเองหนีเองอะไรรีดรีดเอารีดเอ า, เอาไอ้คนบริหารก็ต้องรีดไอ้คนที่จะมีสมบัติมากก็ไม่ค่อยอยากให้ขัดแยงกันเจ็ดสิบกว่าปีคอมมิวนิสต์ก็พัง เพราะจิตใจมันไม่จิตใจมันไม่ยินยอมจิตใจมันไม่เต็มใจแต่ผู้ที่มาปฏิบัติด้วยระบอบสาธารณโภคีนี้ทุกคนเต็มใจแม้จะมีกิเลสบ้างก็เอาหน้าเราก็เข้าใจแล้วระบบนี้ดีเราเอาระบบนี้แล้วเราก็สมัครใจมาด้วยอิสระเสรีภาพของตนเองมาเอาแะ้รระบบนี้อยู่อย่างนี้แหละต่างคนต่างเชื่อกันกิจแล้วมาทาตัวเองให้ติดน้อยลง มันติดอร่อยมันติดรู้ราามันติดใหญ่โตมันติดน้นติดนี่อะไรก็ต่างลดลงลดลงลดลงล้างกิเลสนี่ลงมันก็เป็นจริงได้ตามสูตรจจเจ้ายืนยันได้ว่าล้างกิเลสพวกนี้ได้เมื่อล้างได้คุณก็เบาสบายว่างไม่ตองแล้วก็ดีไม่ดีเป็นอหรหันต์จ้อยไม่ต้องติดต้องยึดเลยก็อยู่กันอย่างอาศัยอะไรเติพออาศัยนอนนั้นก็ช่วยกันสร้างสค์ เกือกูลเลี้ยงดูเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามนโนกรรมเมตต า, าเมตตาทั้งสามแล้วแล้วก็ช่วยกันสร้างสรรค์ให้มีลาบโดยธรรมแล้วก็แจกจ่ายเจือจานเกือ้อกูลกันโดยมีหลักเกณฑ์เรียกว่าศีลสามั ญ, ญตาโดยมีแนวคิดเรียกว่าทิฏฐิสามั ญ, ญตามีจุดมุ่งหมายเรียกรวมๆว่าเป็นอรหันต์เรียกรวมๆว่าเป็นอริยะสูงสุด เรียกรวมๆ ว, ว่าทําให้มันเกิดสาธารณโภคีนี่แหละเรียกรวมๆ ว, ว่าแล้วมันจะเป็นสาธารณโภคียังไงสอนกันให้เกิดทิศให้เกิดทฤษฎีให้เกิดพิธีปฏิบัติประพฤติจนเข้าสู่ความเป็นอันนี้ได้โดยมีหลักเกณฑ์เรียกวัญศีลไปตามลําดับคนนี้เอาหลักเกณฑ์นี้ก่อน ทำได้แค่นี้อันนี้มันยังทําไม่ได้ไปก่อนเจ็นเอาแค่สีน่าเอา้าศีนี่มันเลยนั้นออาละเมิดก่อนเพราะคุณยังจะต้องอต้องใช้มาลาคันทะวิเลปะนะธารณะจะต้องอาศัยลู่ ร, รถกลิ่นเสียงสัมผัสมันยังมากไปบ้างก็เอาอนุโลมไปก่อนเอาแค่นี้เงินทองเข้าคของก็ยัง ต้องสะสมต้องมีมากก่อนไม่งั้นกลัวตายไม่งั้นกลัวไม่พอกินไม่พอใช้ออ น, นุญาตเราไว้ก่อนพอมาเข้าสู่ศีลแปดคุณจะต้องจำกัดจำกยดการกินการใช้ลดลงมาศีลแปดแล้วไม่ละเมิดมาลาคันทวิเล ป, ปนธาารณะมันทะนะัจน์มาใช้ศีลสิบไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้เงินเลย ในชาวอโศกถือศีลสิบแม้จิตจะยังเป็นอนาคามีภูมิไม่ได้แต่ก็เป็นอนาคาริกชนเป็นคนที่ไม่ต้องมีบ้านช่องเรือนชานเข้าของทรัพย์สินของตนเองใช้ส่วนรวมเป็นสาธารณโภคีในชาวโศกนี่มีเยอะพัฒนาตนเองอยู่ฐานศีลสิบเป็นฆราวาสนะไม่ใช่พระไม่ใช่เนนไม่ได้บวช หัวดําหัวหงอกนี่แหละบางคนก็หัวล้านไม่ใช้เงินไม่ต้องมีเงินเป็นส่วนตัวใช้ใช้ตามหน้าที่อยู่ในหมู่คุม่มไปเอามาใช้สนกลางมันเหลือก็เอาไปคืนหรือเขาบอกเอาไว้ใช้ก่อนวันนี้ น, นี่เพราะว่าคุณจะต้องติดกระเป๋าคุณทําหน้าที่อย่นี้ต้องบริหารทำนั้นต้องมีติดกระเป๋าทอนนั้นทนน่านี้เราก็มีไว้มันก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วที่จะต้องมีวิธีการ ทำงานจึงเกิดระบบสาธารณโภคีเป็นของส่วนกลางเป็นหมู่ชนเป็นหมู่บ้านขออภัยไม่ได้อวดได้อ้างหรอกนะแต่อยากจะให้รู้ตัวอย่างว่ายุคนี้มาเป็นคนจนไม่ได้แม้แต่พระจะบอกว่าเฮ้ยไม่ใช้เงินไม่ได้หรอกเป็นพระก็ต้องใช้เงินยุคนี้ไม่ใช้เงินไปในอด เรามาเป็นพระเรามาเป็นสมณะภิกษุบวชมานีนใช้มีเงินกี่ตังค์บวชมามีบาทเดียวครับมีบาทเดียวเ <c oughs> มื่อวานนี้เมื่อก่อนนี้ท่านหนักแน่นก็บอกว่ามีอยู่บาทเดียวยังไม่รู้แล้ ว, ว่าจนตานี่จะใช้หมดหรือเปล่าบาทเนี้ยมีอยู่บาทเดียวในไม่รู้ตายเลยจะใช้หมดหรือเปล่าบาทเดียวเนี่ยท่านก็เล่นโมหานกานไปนนก็สนุกจริงน่ะมีอยู่บาทใบเดียวนี่เลี้ยงตัวได้ปีแข้ง มีบาดใบหนึ่งนี่เราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าที่ซื่อสัตย์ปฏิบัติตนตามเดินตามรอยพระชุกคนละบาทพระพุทธเจ้าเนีเมืองไทยเป็นเมืองพุทธนะอาตมาอธิบายสิ่งเหล่านี้เป็นพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสตร์ะเป็นความรู้ของพุทธขอเอาัยต้องพูดและมาขบวัตผู้ที่มาบวชผู้ที่มาสืบทอดศาสนาแล้วมาขบว ไปเป็นเน้นคำบ้างไปเป็นยันตระ์ะบางไปเป็นอะไรอะไรบ้างอาตมาขออาภาัยหรือขอกล่าวคำนี้ในสังคมขนาดนี้บ้างเท่านั้นเองไม่ได้ไปลบหลูล่ดูถูกไม่ได้ไปคมขีอะไรหรอกแต่ขอยกอ้างมาเป็นดิฟเฟอเรนซ์จากกรณีเกิดกรณีเน้นคำผมประทับใจเพราะท่านสอนว่าให้พวกผมร ะ, ะ, ะ, ะ, ะมัดระวังเรื่องสติสตังผมรู้ทราบซึ่งประทับใจครับอือแ ยังมีอีกอันหนึ่งสตรีสตังและสังกเพศสามสอให้อัตมังให้ระวังสตรีสตังไม่อธิบายแล้วให้โงอไปก่อนอธิบายสังกเพศสังกเพศแปลว่าแตกหมู่แตกเหล่าแตกกองลงไปสางข้าวแล้วว่าหมู่แปลว่ากองเพศทับแล้วว่าแตกแยกอย่าแตกแยกอย่าแตกแยกพัฒนธรรมยาแตกแยกนโยบาย อย่าแตกแยกหลักธรรมอย่าแตกแยกคำสอนที่เป็นคำสอนที่เรายึดถือแล้วจากของพระพุทธเจ้าหรือแม้จะมีอันใหม่เรายอมรับกันก็รักษาไว้ถ้าแตกแยกสังฆเภทเมื่อใดไม่ว่ากลุ่มประชาชนกลุ่มสังฆเภศได้กลุ่มฆรวาสกลุ่มหมู่ไหนก็นแล้วแต่ เมืองไทยมันเป็นกลุ่มแตกแยกกันนี่แหละมันยังไม่เป็นไปได้เหตุเพราะมันแตกมันแยกมันไม่ร่วมมันไม่เป็นสังฆะมันไม่เป็นหมู่เป็นกลุ่มมันไม่เป็นสามัคคีมันต่างคนต่างใหญ่ต่างคนต่างจะทำมันไม่มารวมเป็นหนึ่งเดียวกันทำอะไรก็ไม่สำเร็จขับเพสังสังฆภูตานังสามัคคีพุติสาธิกา ทุกสิ่งทุกอย่างถ้ารวมกันเป็นหมู่พักพร้อมกันได้ทุกอย่างสำเร็จเนี่ยเอาจบสังกเภทนะที่คุณว่ามาก็อยากจะอธิบายอันนี้ให้ฟังตัวนั้นเองมาเข้าสู่สาธารณโผูกขีอีกต่อนิ่มยืนมาจตมาไม่มีเวลาอ่านเลยเนี่ยนะขออ่านหน่อยกยกันแต่ถ้า ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเห็นพ้องต้องกันออกมาแสดงพลังความต้องการพร้อมๆกันในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมในวงเล็บเลยนะข้ออภไยข้ออ่านเลยก็แล้วกันในวงเล็บว่า ง, งี้เช่นเสื้อแดงต้องการรัฐบาลปูว่างั้นนะในในวงเล็บนะ เพราะนั้นถ้าประชาชนออกมาพร้อมๆกันในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมขณะที่ประชาชนส่วนน้อยต้องการความถูกต้องและมีวงเล็บอีกว่าหน้ากากาขาวไม่ต้องการรัฐบาลปูอันนี้บอกวงเล็บว่าหน้ากากขาวไม่ต้องการรัฐบาลปูก็บอกว่าถูกต้องตามทํานองคลองธรรมขณะที่ประชาชนส่วนน้อยต้องการความถูกต้องและความถูกต้อง ตามหลักประชาธิปไตยจะพิจารณาอย่างไรแก้ไขอย่างไ ร, จ, ร จ, จะใช้ราชประชาสมาสัยได้อย่างไรโอ้โหหลายประเด็นเลเกินนะและความถูกต้องตามหลักประชาธิปไตยจะพิจารณาอย่างไรหลักประชาธิปไตยจะพิจารณาอย่างไรนี่นะมีภาษา ที่พูดกันอยู่ทั่วไปว่า Majority Rule, Minority Right หมายความว่าตามหลักเกณฑ์กฎหมายรัฐธรรมนูญก็ตามรูประชาธิปไตยก็ให้เห็นแก่หมู่ใหญ่เรียกว่าม a j o r i t y จริงมีกฎหลักกฎเกณฑ์ว่าอย่างนั้นแต่ควรจะต้องคำนึงถึงความถูกต้องหรือสิทธิของมนุษย์ ภาษาอังกฤษเรียกว่า r i g h t หมายถึงความเป็นสิทธิมนุษย์หรือความถูกต้อง r i g c h คนี้หมายถึงสองอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนเนี่ยแม้จะเป็นส่วนน้อย minority แม้จะเป็นส่วนน้อยแต่เป็นสิทธิของเขาโดยเฉพาะมันเป็นความถูกต้องด้วย คุณจะมีรูยังไงก็แล้วแต่รูของคุณผิดเช่นปัจจุบันนี้มันแหกอคอกรูกันเท่าไหร่แล้วเพราะงั้นคนส่วนน้อยที่ออกมายืนยันว่าไอ้นี่ผิดนะโวยรูนคุณต้องแก้ไขคุณต้องไม่ทำตามรู น, นั้นแม้ส่วนใหญ่จตะกนบอกนี่สิบห้าเสียงไว้โอ้ขอไม่สิบห้าล้านตกคำว่าล้านไปสิบห้าล้านเสียงนะโวยี่เอากดนี้แหกกดนี้ กูจะทำแหกกฏคนกลุ่มน้อยมานาริตี้ไรท์ก็มีสิทธิ์จะท่วงว่ามันผิดว่ะมันผิดถ้ามีสิทธิ์จะต้านมานาริตี้ไรท์กลุ่มเล็กก็ต้องต้านนี่คือความหมายของมายจาริตรูหรือมา right. นาริตี้ไรท์เนะเพราะฉะนั้นอนประเด็นที่บอกว่าจะทำอย่างไร คุณก็ต้องต้านเพราะสิ่งนี้เป็นสิทธิและความถูกต้องคุณก็ต้องต้านใช่ไหมนี่หลักเกณฑ์ของสังคมโลกนะ m a ร o r ิ t y r ี l ร m i ม o r i ร y r i ้ h t s นี่เป็นสาล น, นะนะจะแก้ไขอย่างไรก็ทำตามที่ควรอย่างนี้แหละมาโนริตี้ไรดีคุณสมมุตินะสมมุติว่ามีคนกกลุ่มน้อยอตาตมา ย, ยังไม่เชื่อว่ากลุ่มน้อย แต่แสดงตัวเป็นนักการดขาวหรือแสดงตัวอย่างที่คุณพูดมาเนี่ยแสดงตัวออกมาอย่าง น, น้อยเท่านั้นเองอาตมายังไม่เชื่อว่าคนที่เข้าใจความถูกต้องไรท์ right. เนี่ยและคุณไม่มาใช้สิทธิ์คุณไม่มาแสดงตัวออกมานั่นคือคุณไม่ใช้สิทธิ์คุณมีไร h t right. คุณมีสิทธิที่มนุษยชนที่คุณจะออกแสดงมาออกมาแสดง ถ้าคุณออกมาแสดงแล้วจะได้รู้ว่ามันจริงๆ m i n o r มนอรหรือมายอริตีกันแน่เอามาพิสูจน์กันหน่อยเถอะนะจะทำอย่างไรทำอย่างนี้แหละเมื่อคุณเข้าใจที่อาตมาพูดแล้วถ้าคุณเห็นร่วมว่านี่สมมุติมาออกมาแสดงว่าไม่ต้องการรัฐบาลปูนี่คือสมมุติวงเล็บมาคุณเอาอมายืนยันสิ กลุ่มน้อยของหมู่บ้านกลุ่มน้อยของอำเภอกลุ่มน้อยของจังหวัดทั่วในประเทศไทยคุณออกมายืนยันดูสิจะมีเท่าไหร่คุณเห็นด้วยากันไม่ไม่เอารัฐบาลปูคําเดียวเนี่ยตอนนี้ยังไม่ออกมาแสดงตัวไม่แสดงสิทธิมนุษยชนคุณเชื่อว่าอันนี้ถูกต้องไหมอาตมาไม่ได้พูดเล่นนะถ้าอันความต้องการอันนี้ถูกต้องไรต์คุณออกมาแสดงตัวได้จะปรากฏว่าอ่ะ ถ้าออกมาแสดงตัวไม่เอามาแสดงตัวเอาน้อยมีกลุ่มใหญ่เลยออกมาแสดงตัวว่าเอาเอาเอาเอ า, เ อ, าอันนั้นก็ต้องเป็นรัฐทาธิปัตย์เป็นอำนาจของรัฐเป็นความถูกต้องของประชาชนหมู่ใหญ่ภาษาบาลีเรียกว่าเยบุญสิกาหรือความถูกต้องมื่ในหมู่ใหญ่ที่เอาเสียงส่วนมากเป็นประมาณ เป็นการตัดสินก็ได้เพราะฉะนั้นพิสูจน์กันที่พิสูจน์ความเป็นประชาธิปไตยอำนาจจริงอำนาจใหญ่คือคนส่วนมากเพราะฉะนั้นตอนนี้รออยู่ว่าผู้ที่เห็นด้วยว่าไม่เอารัฐบาลปูปีกี่คนมีหมูน้อยหรือหมู่ใหญ่ถ้ายังนอนหลับไม่รู้คู่ไม่เห็นหรือไม่กล้าหรือไม่อยากออกหรือว่าขี้เกียจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ ผู้ที่กระเฮก็ะือรือเขาแสดงตัวตะโกนบวกเวงบกเวงเขาก็แสดงนี่ไงข้ามวลใหญ่มวลใหญ่เรียกมวลใหญ่ก็มวลใหญ่พวกเองเห็นไหมเห็นเรียกมวลใหญ่ได้สักทีหนึ่งเลยก็แพ้เขาวันยังค่ําแหละเอ๊ะทำไมแสดงทําคราวนี้นี่มันเงียบจังกันเลยไม่รู้เรื่องไงรู้เรื่องเปล่าเด็ก โอ้เด็กๆยังรู้เรื่องหรือแสดงว่าผู้ใหญ่เขต้องรู้แน่นอนออรู้แล้วที่เงียบเพราะถูกณจังงังถูกณจังกังคือหมายความว่าถูกคาถาดีสะกดถูกคถาดีสะกดเราบอกเออใช่ว่ะใช่วะไม่เถียงอะฮะ ตกกระจายเลยนะตกกระจายทำไม ไ, ไทยเฉยนานไปอ่าใครความมากงั้นว่าบอกว่ า, วาตกกระจทํา ไ, ไทยเฉยนานไปอัตมาเมื่อกี้อ่านกวีแล้วหนักแล้ว น, ะนานกว่านนี้ไปไม่ออกนะตายแน่เมื่อมีหมูด่ดีต้องพรีชีพลุยออกมาพรีชีพปีปรากฏขึ้นแล้วต้องพรีชีพลุยอ่ะ อ่านี่ตอบประเด็นนี้แล้วนะทีนี้ทางนี้ถามประเด็นหลังบอกว่าแล้วจะใช้ราชประชาสมาัยอย่างไรอัตมาก็ขอยืนยันว่าเราใช้ประชาสมาัยโดยใช้รัฐธรรมนูญมาตราสองมาตราสามตอนนี้ในหลวงท่านใช้ผ่านสถาบันสองสถาบันล้มเหลวไปแล้วล้มเหลวนะขอยืนยัน สถาบันบริหารกับสถาบันสภาล่มแล้วสถาบันตุลาการกำลังพ่อแปะพ่อแปะเพราะฉะนั้นในหลวงท่านก็ใช้เต็มที่แล้วท่านเตือนแล้วเตือนอีกบ้านเมืองจะล่มนะเตือนตุลาการมาไม่รู้กี่รอบเตือนสภานิติบัญญัติเตือนบริหาร ทุกวันนี้นักบริหารก็ไม่เข้าเฝ้าในหลวงสมาชิกสภาก็ประธานสภาก็ไม่เข้าเฝ้าในหลวงก็ไปทำตามใครก็ไม่รู้ตุลาการก็พยายามยืนหยัดยืนยันถ้าไม่เหลือตุลาการหมดเลยในหลวงก็ต้องอาศัยประชาชนเท่านั้นตอนนี้ในหลวงใช้อำนาจผ่านสามสถาบัน สถาบันสองสถาบันขาหักแล้วอีกสถาบันหนึ่งกำลังขาเป๋ถ้าประชาชนไม่มาร่วมใช้พลังอำนาจออกมาแสดงพลังอำนาจก็เท่ากับปล่อยให้พ่อตายไปครับอำนาจนี่คือหลักประชาธิปไตย ท่านก็สุดที่แล้วในหลวงพยายามบอกผู้บริหารทำอย่างนี้นะลูกเอ้ยทำอย่างนี้นะลูกเอ้ยมีทั้งตั้งสี่สิบพันหรือสี่พันสี่พันแบบสี่พันยางให้ผู้ที่เป็นผู้รับสนองพระราชโอรการบริหารประเทศนำไปกระจายแก่ประชาชน ผู้บริหารนำไปที่ไหนในหลวงท่านก็เป็นในหลวงเป็นพ่อที่ใจดีไม่บังคับลูกให้เกียรติลูกที่ใช้ปัญญาแต่ลูกไม่รู้มันโง่หรือว่ามันขบดก็ไม่รู้ถ้ามันรู้มันขบดก็ก็ก็ไม่รู้จะทำไงไม่ทำตามนม่เลง ถ้ามันโง่ก็อีกเรื่องหนึ่งก็จำนวนและประเทศชาติผู้บริหารประเทศมันโง่พ่อบอกให้ทำก็ยังไม่ทํามีโครงการล่าสุดโครงการช่างหัวมัน <c oughs> โอ้ตายตายตายตายพูนและเศ ร, ร้าโครงการล่าสุดคือโครงการช่างหัวมันตายตายม <c oughs> ีี 4, 4 <ำ>่พันสี่ร้อยสาสิบห้าโครงการครับพ่อท่านองค์นี้จาองค์นี้ํำได้หมดสีร่ร 4, 4ี่5ันสี่ร้อยสามสบห้าคงการสี่พันสี่้อยสบห้าโครงการ 4, 4ครกา ร, ร, การนี่ก็พูดถึงอะไรจกันตาสู่ฟังสรุปแล้วคนถามถึงพระาราชาชาสมาสัยในหลวงท่านใช้สมควรตามสถานะนของพระองค์แล้วเต็มที่แล้วโดยหลักรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยทุกแห่งทุกคนต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแม้แต่ระบอบที่มีในหลวงเป็นบรรมุ ก, กตากท่านทำสุดที่แล้ว เพราะงั้นตอนนี้หน้าที่เหลือแต่ประชาชนเท่านั้นจะอุ้มพ่อนี่คือคำตอบราชประชาสมาสัยโอ้วันนี้อาตมาอธิบายลึกอธิบายรอบอธิบายเยอะนะโครงสร้างกว้างๆ ร, บรอบๆอะไรอาตมาก็พูดมาคิดว่าพอสมควรนะเท่าเวลามันมีเข้าเป้าอันนี้คือสาธารณภคีมันยิ่งใหญ่ คอมมิวนิสต์ก็ต้องการพลังรวมมาเป็นส่วนกลางให้มากแต่ผู้บริหารคอมมิวนิสต์ที่ทำไม่รอดเพราะยังมีกิเลสก็เลยเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวดีไม่ดีกดมังโกงมั่งมันก็เลยไปไม่รอดมันเห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกมากไปมันไม่เหมือนผู้ที่ปฏิบัติธรรม จิตมันไม่โลภจริงๆมันไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้ไม่สะไม่สมไม่เห็นแม่แก่ญาติญาติปริวัติตั้งปะหายะพกค้ากัณฑาปหายะนี่เป็นของพระพุทธเจ้าสอนคือเราไม่ต้องเห็นแก่ญาติญาติปริวัติตั้งปะหายะไม่เห็นแก่ทรัพย์สมบัติพกคคาันตาปหายะทรัพสมบัติคือเครื่องใช้ก็ใช้ะเฉียยไปไม่ต้องสะสมไม่ต้องกรอบโกนไม่ต้องเมืองยึดเป็นของตัวของตน มีปัฒนธรรมมีระบบของสังคมเอามาเป็นของส่วนกลางแล้วก็ทําตัวเองให้เป็นผู้น้อยมักน้อยสันโดษกินน้อยใช้น้อยแต่ขยันมากมีความสามารถมากสร้างสรรได้มากแล้วก็เอาเข้ากองกลางให้มากๆากมากมากคุณก็เป็นคนมีคุณค่ามากๆมีประโยชน์ต่อสังคมมนุษยชาติมากๆนี่โดยสัจจะคุณไม่ต้องเอามาแสดงหรอกสัจจะคุณทาจริงมีรำกริยาของคุณจริง คุณปรุงมือผลิตจริงสร้างจริงใช้แรงงานทางสมองความรู้ก็ตามใช้แรงงานทางกายก็ตามทําลงไปเป็นสุจริตธรรมเป็นกุศลธรรมสร้างไปทําไปมันก็อยู่ในนี้แหละเป็นองค์รวมแล้วรวมกันอยู่เพราะงั้นกลุ่มหมู่ของผู้ที่มีทิฏฐิสามัญญตามีแนวคดิดมีดมอุดมคติอุดมการณ์อันเดียวกันอย่างชาวโศกเนี่ยมารวมตัวกันจึงเป็นกลุ่มชุมชน เป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านตาธะระโภคีคนในหมู่บ้านนี้เสียภีร้อยเปอร์เซ็นเอาเข้ากองกลางหมดแล้วแบ่งกินแบ่งใช้ส่วนกลางมีส่วนเหลือไปทำประโยชน์ให้แก ค, คนอื่นเราก็ทำอยู่ทุกวันนี้เราก็ทำช่วยเหลือคนข้างๆเขียงๆเท่าที่เราจะมีแรงเอาไปช่วยสังคมส่วนว น, นอก โดยไปช่วยไม่ได้ต้องการลาบยศสั้นเนริญแลกเปลี่ยนมาให้ตนเองไม่ได้ต้องการโฆษณาหาชื่อหาเสียงไม่ต้องไม่ได้ออกไปแสดงเพื่อจะแสดงว่าขาดเก่งอวดเก่งไม่ใช่มันทําได้อย่างนี้มันของดีก็ไปทําของดีนี่กับทังคมเท่านั้นเองมันมีดีจะบอกว่ามันเก่งไม่เก่งเท่าไหร่หรอกแต่ได้ดีเท่านี้อยากเก่งอยากดีกว่านี้ แต่มันได้เท่านี้ก็ทำไปเท่าที่เ่าทำได้โดยความรู้โดยปัญญาโดยความสุจริตใจว่าอันนี้เราไปช่วยสังคมไปช่วยประชาชนไม่ได้ไปหาประโยชน์จากสังคมจากประชาชนเป็นการเสียสละนะ่ะพูดและวเทศชะมัดเลยเก๋ชะมัดึลยขออภัยเถอะไม่ได้อวดอ้างอะไรหรอกไม่ได้อยากเก๋อยากเท่เพราะว่ามาพูดโชว์หรอกเหมือนกระรื้อฟื้นมาคุยโม อ, อวดตูอวดตน แต่ตอนนี้กำลังอธิบายวิชาการอธิบายความรู้อธิบายสัจธรรมสู่ฟังเท่านั้นโดยอ้างอิงสิ่งที่เกิดจริงเป็นจริงไม่ใช่ว่าเป็นความฝันลอยลมเป็นทฤษฎีเปล่าๆเป็นประปร ะ, ปร ะ, ประยากโกเกะกินไม่ได้ทำไม่ได้ปฏิบัติจริงไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไม่ใช่เป็นของเป็นไปได้สารันค์ขีเป็นไปได้ แล้วเราก็พยายามทนนําตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยเราก็เจริญเพราะเราก็ยิ่งมักน้อยสันโดษยิ่งจนลงจนลงเราก็ยิ่งมีสมรรถนาสูงขึ้นทํางานได้มากขึ้นเหลือสนเกินมากขึ้นเข้าเสียภาษีให้แก่ส่วนกลางมากขึ้นมากขึ้นโอ้โหเรานี่ดีนะยิ่งเสียภาษีให้ส่วนกลางเต็มมากขึ้นมากขึ้นโดยส่วนกลางไม่ต้องมารีตาท่าเลยไม่ต้องมาออกกฎบังคับเหมือนคอมมิวนิสต์ เราเต็มใจให้เต็มเต็มเต็มต็มเต็มเตมเลยนี่แหละคือหลักระบบประชาธิปไตยที่มีธรรมะโดยมีพุทธธรรมเป็นหลักสาธาราโปกีนี้จะเกิดจิตเจ็ดตัวสาธาราโปคีชาธาระสาตานีจะทหกเนี่ยมีเมตตาได้มีกายกรรมวิจิกรรมโนกรรมเมตตาแล้วก็ทำงานมีกลางมีของที่เกิดขึ้นเอามา เป็นสาธรารัพโภคีมารวมกันกินใช้ร่วมกันโดยอยู่ในเกณฑ์ของหลักเกณฑ์เลวศีลโดยมีอุดมคติอุดมการตรงกันเลนวทิฏฐิมีทฤษฎีเดียวกันแล้วเราปฏิบัติตามหลักสูตรของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเกิดกายกรมมกรมเมตตาวจิกรรมเมตตามโนกรรมจะมีคุณสมบัติสารณียะปิยกรณะขรุกัณะสังหะอวิวาทะสามกียะ เอกี e. ภาวะนี่คือจิตสารณียะหมายความว่าระรึกถึงคนอื่นระลึกถึงคนอื่นไม่ใช่ระลึกถึงตัวเองเระรึกถึงคนอื่นระรึกถึงกันเราลึกถึงไม่ได้ไปเอาของเขาไม่ใช่ไปรารึกถึงเพื่อที่จะไปปนไปจี้ไปเอาเปรียบเอารัดไปเอาอะไรมาจากเขาเระลึกถึงเพื่อจะไปช่วยอะไรได้หนอเช่นพระพุทธเจ้าพอรุ่งเช้าทั้งกทุษ สักโลกแล้วว่าเราจะไปช่วยใครจะไปโปรดใครดีใครควรนี่แหละคือสารณียิยธรรมสุดยอดรู้สึกตัวเมื่อไหรหรือตื่นเช้าขึ้นมาเมื่อไร่ก็รู้ถึงว่าเราจะไปช่วยใครดีไม่ใช่ว่าเราจะไปเอาจากใครดีไม่ใช่ไปให้ใครดีไปช่วยใครดีสารณียิยธรรมเป็นเช่นนี้จิตจะเป็นลักษณะนี้กิยกัลณะความรัก มีความรักเพื่อนมนุษย์มีความรักคนทุกคนแม้แต่คนชั่วเราก็รักอยากให้เขาดีช่วยได้ช่วยช่วยไม่ได้ก็ปล่อยตามนิบา ก, กรรมไม่ไปทำร้ายเขาให้เขาตายเองให้เ้ารับนิบากรรมเองปิยกรลณะก็ขออธิบายไว้แค่นั้นก่อนความรู้ถ้าอยากจะรู้เอ้ความรักถ้าอยากจะรู้ความรักไปอ่านความรักสิมิติอัตมาเขียนไว้แล้ว ความรักสิมิติต้องมีความรักที่ดีงามไม่ใช่ความรักที่มีแต่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่พรรคแก่พวกไม่ใช่นิสรุปไปนิดหน่อยมีความรักอันถูกต้องดีงามตามสัจธรรมมีการเคารพกันคารวีนิพยาการณะมีครุกรณะมีการทำความเคารพกันโดยควรเคารพด้วยวัยวุฒิเคารพด้วยคุณวุฒิเคารพด้วยสมุิไอ้นี่มัน ชั้นโทข้ามันชั้นตรีก็ต้องเคารพชั้นโทก็คือสักดานะสมมุติคนนี้อนนั่นนี้ตามสมมุติแต่งตั้งก็เคารพกันไปใจไม่เคารพก็ต้องเคารพพ่อสมมุติอะไรเ่็นต้นรู้จักการเคารพคนที่คุณธรรมสูงแล้วก็เคารพกันโดยเรารู้คุณธรรมเรากเคารพเราให้เลยหรือไวยาทุก็เคารพกันตามไวยวทุกบ้าง เคารพกับความรู้ความสามารถบางอะไรก็แล้วแต่ก็รู้จักการเคารพคาระวะกันเสมอพากันหมดทุกคนต้องเท่าเทียมกันหมดจะบ้าเลยนี่คือคนที่ไม่มีความรู้ต้องเท่าเทียมกันสักดีนาณิว่าคนที่อยู่ฐานสูงก็จะต้องให้มากวาดขยะกันทุกคน จะบ้าเลยจะต้องมานอนดินนอนทรายกันทุกคนจะต้องนั่งที่เท่ากันหมดนั่งเหลื่อมกันก็ไม่ได้สูงกันก็ไม่ได้เสื้อผ้าหน้าแพลก็จะต้องแต่งให้ขาดขาดเหมือนกันเก่าเก่าเหมือนกันจะบ้าเลยเขามีอะไรบ้างให้บ้างเช่น อาตมานี่นะอเพราะพายกตัวอย่างตัวเองกว่าจะมีรถยนต์ใช้มีคนบริจากรถโฟกตู้เก่าๆให้คันแรกโอ้ยปลุกปล่ำกันช่างก็ไม่คยเป็นทำกันุสุดท้ายอีกเครื่องได้เหมือนกันแต่ไปไม่รอดจนกระทั่ง ค่อยๆมีคนมาศรัทธาเลื่อมใสให้รถมาใช้คันนั้นกันนี้ราคาก็ไม่แพงอะไรจนกระทั่งคนซื้อเบนมาใช้ให้ใช้อัตมาก็บอกโอ้ยมันโก้ไปนะเบนก็ดีดีที่เบนมันเข้าข้างอัตมาเข้าข้างยังไงเบนตู้มันยังไม่ค่อยปฏิกริยาเท่าไหร่เอามาใช้มันพาไปตาย ตายเข็นไม่ได้นะเบนนี่อัตโนมัติหมดเลยตายแล้วหงีกเลยเข็นก็ไม่ได้เขาจับเขาเยอะก็ไม่ได้โอเวงจริงๆอัตมาไปตายหลายทีก็เลยบอกว่าเลิกใช้เถอะเบ้นนะ่ะเขาก็เลยนำไปขายก็เลยไปซื้อรถระดับไม่ไม่เท่าเบ็นมาแต่กระไรๆกันมาอีก อาตมาเอาเบนขายไปนี่อาตมาก็ให้ไปซื้อรถญี่ปุ่นมาแล้วอาตมาตั้งชื่อว่าเคนเบกนี่เรื่องจริงนะอาตมาไม่ได้พูดเล่นนะเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ติดป้ายตัวหลังรถคันนี้ก็ยังอยู่เลยก็ยังไม่ได้ขายออกเขาเอารถคันนี้ไปแล้วเขาเอารถคันที่มันราคาแพงกว่าไอเคนเบกนี่โตโยตานี่มาให้อาตมาใช้ใช้เป็นคันที่สองแล้วไม่บอกชื่อหรอก แต่มันก็ทเทียบเทียมเบนซ์ราคามันไม่ได้ทิ้งกันเลยโตยโยต้าก็เข็ดเบนซ์นะทีก็มันไม่ให้เข็นการทางอยู่หลายทีแล้ววะที่จริงอาตมาไม่ได้ไปดูถูอว่ามันไม่ดีหลอกรถเบนซ์มันก็ดีคุณสมบัติมันดีมันปลอดภัยเ้าคํานึงถึงการคล่องตัวปลอดภัยอะไรหลายอย่างเลยคุณสมบัติก็มันดีกว่าจริง อาตมาก็รู้ถ้าเขาปรารถนาดีอย า, อากให้อาตมาคล่องตัวปลอดภัยไม่สุขภาพไม่เสียอะไรต่างๆ น, งนั้นซึ่งพวกนี้มันมันสร้างมาไอ้ทีพวกนี้แหละ อ, องค์ประกอบรักชลีของมันพวกนี้มันมันช่วยได้จริงๆแต่อาตมาเขาไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้แต่เขาก็ทํานี่คือสภาพจริงของคนในโลกเราไม่ยิ่งมาอยากได้เขายิ่งอยากให้ สรุปง่ายๆอย่างนี้เป็นต้นอะละมณ ห, หมดเวลาแล้วอาตมา ก, ก็ไม่ขอขยายความมากสรุปลงที่ว่ามาเราสามารถทําสาธารณภพอคีได้สําเร็จเป็นโมเดลหนึ่งในโลกข้อภัยนะที่ผู้ใหญ่เป็นสังคมชุมชนในทางนิตินัยเป็นหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านมีอบอตอรประจําแต่ผู้ใหญ่บ้านทํางานก็เอาเงินมาเข้ากองกลา ง, ง, งได้รับเงินนาะเด่นนี้ได้เดือนหนึ่งแปดพันได้ไงเนี่ยค่าค่าค่า ผู้ใหญ่บ้านอาบตอก็เหมือนกันแล้วก็ใช้ส่วนกลางทํางานนี่ผู้ใหญ่บ้านก็หมู่บ้านเขาเรามีสองหมูบนนะหม่บ้านนิกิตนนะแต่หมู่บ้านอื่นอย่างฟังสีมาอโศกสันเติอโศกสาลีอโศกอะไรต่างๆราัธานียโศกราัธานียโศกกับสีมาโศกสองอันเนี้ยสองบะหมู่บ้านเนี้่เป็นหมู่บ้านทางนิกิตนัยตามมหาไทย เออ ส, สิขอไปสิสะอาดโสกับราชธานีอโสสองหมู่บ้านขอภัยต้องไม่พูดดวดอ้างลงนะแต่พูดจริงผู้ใหญ่บ้านนี่เป็นด็อกเตอร์ราชธานีอโสก็กําลังจะสอบด็อกเตอร์อยู่หยกๆนี่แหละแต่ผู้ใหญ่บ้านสีสานี่เป็นด็อกเตอร์ก็ได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นเป็นด็อกเตอร์ก็ทํางานฟรี บริหารหมู่บ้านไปตอนนี้ก็บเขาเชิญไปอเมริกาเราอยู่อเมริกาตอนนี้คนที่ว่าถึงผู้ที่พูดถึงเนี่ยไม่ออกชื่อหรอกเดี๋ยวจะโก้ไปไม่ออกชื่อปิดไว้ซะแหงเงียบๆงั้ น, เ, น <c oughs> เราไม่ได้ติดใจในเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์หรือความรู้อะไรเราก็ความรู้ทางสังคมเราก็ไม่ดังเกียติเราก็พยายาม เป็นไปตามโลกนะท่านเรียกอะไรภาษาบาลีปฏิตรีโลโกอะไรไม่ใช่อะไรจัดโลยอดไปไปตามกรรมไม่ใช่ไอเอดอนุว okay. ัตตามโลกอะอนุวัตกตรีอะไรอโลก้อนุวัตรอนุวัตอะไรเลยโอเคฮะ อะไรนะอะไรวัตวตีโลกไม่ใช่อันะไรมันดูโลกไปไปไปตามประกำตามกฎโลกลอ่ะอโลกเก อ, อนุวัตตตุงเออ อ, น, อนแม่มันไม่เก่งบาลีเนี่ยโลกเก อ, อนุวัตตตุงหรืออะไรเนี่ยเอก็ต้องอนุโลมไปตามกฎของโลกแล้วเราก็ทําตามไม่ใช่ว่าเราไปเรียนนี่เราไม่ได้ความรู้ความสามารถ ก็ได้แล้วเราก็จะเอามาใช้ผสมประสานเสมอสมานสมานนัตตาเข้ากับโลกเขาแล้วเราก็ร่วมกับโลกสมานถ้าเราไม่มีปริยัติโทเอกอย่างอธรรมานี่ยายากเขาดูถูกเขาข่มแล้วเราก็ทำยากยากเพราะเขาไม่รับอะไรเราเสนออะไรก็ก็ไม่เอาแต่ถ้าทีามีบอกด็อกเตอร์นะเว้ยเอาวะผิดก็ยังเอาเลยเฮ้อ อย่างนี้แหละพี่น้องเอ๋ยคนมันหลงกันอย่างนี้เราก็ไม่ว่ากันหรอกเราก็รู้นะโลกนอนุวัตตะตุงอะไรเนี่ยเราก็เอาตามโลกเขาอนุวัตตามโลกเขาบ้างนะเราก็ทำนะเพราะงั้นก็แม้จะเลอเวลาเป็นมากก็ขอสรุปว่าเราอยู่กับโลกเรานำเสนอโลกทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการอวดอ้างไม่ได้ต้องการโชว์เด่นโชว์ดังอะไรหรอก แต่เราเห็นว่านี่เป็นสัจธรรมที่ควรเป็นควรมีควรได้ในความเป็นมนุษย์ความไปสังคมถ้าสมมติว่าสาธารณโภคีนี้ทำได้จริงทาได้เป็นก้อนแท่งเช่นหมูชาวโซนนี้จะโตเป็นก้อนเดียวสาธารณโภคีก้อนเดียวโตเ็าเลยไม่ได้ต้องเป็นเครือแหอยู่ทั่วประเทศมีอยู่จอมนั่นยมนี้หมูเล็กหมูใหญ่สารกันเหมือนอัตมาเรียกสาธารณภคีหรือ ชุมชนบุญนิยมเป็นลักษณะเชื่อมโยงต่อซ้ายกันอยู่นี้ไม่เรียกว่าเครือข่ายไม่เรียกเครือข่ายเพราะเขาใช้มาแล้วมันหมายถึงแนวระ น, นาบเหมือนเหมือนแผ่นระ น, นาบตลางต่อเป็นแนวระ น, นาบเท่านั้นมันตมาเรียกพีระมิดองเว็บมันเหมือนแห่แต่แห่เราก็ไม่มีงกลางแต่พีระมิดมันมีกลาง เป็นภาษาสากลด้วยพีระมิดองและก็เป็นเครือเครือข่ายขายสืบสารโยงใหญ่กันต่อมีทั้งฐานมีทั้งแท่นมีทั้งเนื้อข้างในเนื้อข้างนอกช่วยกันพยุงให้ยอดขึ้นไปสูงพีระมิดและก็มีจุดต่างๆอยู่ทั่วไปโยงใหญ่เป็นจุดยอดพีระมิดเรียกภาษาไทยว่าเครือแหงนะที่ภาษาอังกฤษว่าพีระมิดอเว็บ ก็จะเป็นเครือแหกอยู่ทั่วประเทศหรืออยู่ทั่วโลกโดยนามมารรมและมีรูปธรรมเฉพาะแต่ละองค์กรแต่ละหน่วยสารกันอยู่ทั่วโล ก, ส า, ก, โลกสารกันอยู่ทั่วประเทศเช่นถ้าหมู่บ้านหลายหมู่บ้านของอำเภอนั้นก็สารกันอยู่ในอำเภอนั้นอยู่ในจังหวัดนั้น หลายหมู่บ้านอยู่ในตำบลถ้าแคบก็มหาตำบลก็ถี่เขาแน่นเขาถ้าขยายออกเป็นอำเภอก็ห่างหน่อยขยายเป็นจังหวัดก็ห่างหน่อยขยายเป็นประเทศก็ห่างขึ้นยิง่งขยายเป็นโลกก็ยิ่งห่างใหญ่แต่ถ้ามีมากขึ้นก็เป็นความแน่นเป็นมวลที่จะแน่นด้วยการสารไม่ใช่การมารวมก้อนกันก้อนเดียวแต่ร่วมกันสาร เพรา ะ, ะนั้นพลังงานของรังสีวิทยุรังสีแม่เหล็กมันก็จะมาทํางานต่อกันเนื่องกันซานกันเป็นพลังรวมเองเนี่ยแต่มาอธิบายเป็นเชิงฟิสิกส์นิดหน่อยสังคนมนุษย์ก็เป็นเช่นนี้เช่นเดียวกันเอาละแตมาเล ย, วลยเวลาก็ไปมากแล้วก็ขออ่านไปสุดท้ายบอกว่าจากสภาพปัจจุบันน้ํามันก็แพงอาหารและสิ่งของต่างๆก็สุดแพง ลูกได้เรียนรู้ธรรมะจากชาวโส ค, คือจากพ่อท่านจึงรู้สึกเดือดร้อนน้อยนี่เห็นมหมมาเรียนรู้แล้วก็ทาตัวเองก็เดือดร้อนน้อยแม้ข้างนอกเขาจะแผงเขาจะเดือดร้อนอะไรมากผู้ที่เดือดร้อนมากๆคือชาวบ้านที่เลือกพักนายกคนปัจจุบันดูพวกเขาก็ยังไม่โทษรัฐบาลลูกก็เลยนึกว่านี่มันคือเวรกรรมของประเทศมันถึงคราวล่มสลายแล้วเครมัยก็พูดกิด ลูกเลยรู้สึกเบาใจยกไปให้ประเทศเลยเนาะเป็นความความเดือดร้อนของประเทศเป็นเป็นกรรมเวรของประเทศเลยเบาใจวางใจใเรืวลดความหมดหูใจได้เอาก็เอาเอก็ออไม่เป็นไรก็จริงเพราะเราสุดวิสัยเนาะลูกทําอย่างนี้ลูกก็เข้าข่ายไทยเฉยไหมครับมันเฉยอยู่บ้างเหมือนกันนะมันเฉยอยู่บ้างเหมือนกันนะแต่เอาเธอคุณวางใจคุณได้ คุณก็ไม่ต้องเดือดร้อนใจมากแต่ถ้าเผื่อว่าคุณเห็นว่าปฏิกิริยาสังคมเราคุณออกไปร่วมบ้างเอาหน้าตรงนี้เราไปได้อันนี้เราไปได้อันนี้เราพอได้ร่วมไปเถอะอย่าดูดายอย่าโดดเดี่ยวอย่าเอาแต่ตัวเองให้ดูสังคมหมู่บ้างแล้วก็ช่วยเท่าที่เราคิดรอควรและสามารถอาจจะต้องอุตสาหาวิิยะบ้างหรือจริงๆก็ต้องเสียสละบ้าง ไม่ว่าจะเสียสละทรัพย์สินเงินทองเข้าของหรือแรงกายแรงใจก็ต้องเสียสละให้แก่สังคมบ้างนะก็คำถามมีเท่านี้กราบขอพระคุณเพร่อท่านทำให้ลูกเป็นคนขยันประหยัดถือศีลห้าละอบายมุ ก, กินบงังสวิรัตจึงสุขสบายณนะปัจจุบันแค่นี้แหละไม่มีอบายมุกถือศีลห้ากินบงังสวิรัตเท่านี้ก็พิสูจน์ได้แล้วว่าจะมีสุขด้วยสงบพอสมควร ถ้ายิ่งสูงกว่า น, นี้คุณก็มาเจริญเอาในอโศกเรานี้สูงไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจนสูงสุดแหละเอาสาหรับวันนี้เกินเวลาม า, มากๆแล้วขออภัยอย่างยิ่งเลยขอจบแต่เพียงตอนนี้เจริญธรรมทุกคน<า>คุณไม่ได้สรุปเลยวันนี้